เ ป, รรเป็นยังไงครับเป็นยังไงมากเราไม่ดไ ด, ดเ้เป็นยังไงก็เป็นไงหลังจากนั้นดีครับดีแล้วครับเป็นยังไงเด็กดีอุ้ยทำไงครับฟังทุกคนครับลูกน้อาแย่จริงทังทุกคนครับพระอาจารย์ยังไงไม่ครับทุกคนยังไงแบบว่าถ้าเขาบอกว่าแบ บ, บว่าว่านี้ไป ส่วนแบบส่วนดนนิสาวมาแล้วก็ฟันได้ฟังคุณครูครับอ๋อส่วนสนุกไหมสนุกครับพ่อจันอ่าในนิสสาวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับอ่ในกรุงเทพเลยใช่คับพ่อจาย์๋อแลมีอะไรอักไหมที่จะมาเล่าให้ฟังไม่มีคับพ่อจย์ ทำคนดีอะไรเนี้เป็นคนีอันนี้<ด>จะสวดวันให้ฟังว่าเปล่าครับกด้แล้วอ่ามบอกว่าแต่ว น, นบอกว่าวันนี้เหนื่อยกว่าเนนะดิมนะต่างแต่ว่าเราสัญญาร่มมมวมกัเราจปิดการพูดกันเราหันซ้ำไม่เปนอ่แค่สัมพัเราหันก็พอกหันจริงแ่เราหังราหัจนถึงอังจมมาพราเขาว่าโตสวอหันจมมาเพราาูดถึงพระว่าชพูดถึงพูดงแต่เราพูดว่าจะนี กสวัสดีค่ะอาจารต์ท่ามทมังงมาซาิสุปะปั้นนพะกวตสับปก a s คุณนังกันน้ำมันกงน้ำมอนเยพะกาวตุตนั่งันเชอ๋อแค่นี้อ่ะโอเควันนี้แค่นี้เวลาไม่สำคักับอาจารย์คุยกับไอซหน่อยวันนี้ติดพันเล่นอยู่ค่ะอาจารย์ขอต่อรองส่วน อาลัางสัมมาพอค่ะบุญกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทำให้คนเราทาบุญทํากรรมมาไม่เท่ากันค่ะพระอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์เจอน้องพีแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะพระอาจารย์เจอที่ไหนจ้าเจอที่พาน้องคุณไปเรียนอ่าบัญจิไปเรียนกิจกรรมเด็กนะคะพระอาจารย์แล้วน้องพีเขา เห็นหนูออกมาจากคลิปแล้วเขาก็ยกมือไหว้หนูก็จําจําน้องไม่ได้ค่ะนึกว่าอ๋อคงน้องเด็กในคอนโดหรือว่าเด็กคนรู้จักพอเขาบอกว่าพระอาจารย์สุชาติครับอ๋อน้องพีก็เลยจําได้ก็เลยดังเพราะเเก่งมากเลยค่ะน่ารักมากเลยอืมค่ะโลกนี้แคบ น, นะค่ะอาจารย์บองน้องพีพเออสิทธ์พระอาจารย์สุชาติอ๋อก็เลยตั้ใจโอ้เรียนที่เดียวกันด้วยค่ะ อืมเรียนอะไรจ๊ะเรียนเขาเป็นคอร์สของเด็กเรียนบันจี้กระโดดอ๋อค่ะพระอาจารย์บันจี้ที่รกระโดดจากที่สูงมาอย่างงี้แหละมันจะเป็นเชือกแบบว่าเขาดึงหลังเด็กอะคะ่ะแล้วให้เขาแบบกระโดดกระโดดวิ่งวิ่ ง, งเล่นกันเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มความสูงค่ะไม่ทราบจริงหรือเปล่าแต่ว่าไอเรียนไปแล้วค่ะอาจารย ในเรื่องของร่างกายนี่รู้สึกเป็นห่วงกันเล็กน้นนะแแล้วจิตใจนี่ไม่ค่อยห่วงกันเท่าไหร่จิตใจพยายามพาเขาเข้ามาฟังพระอาจารย์ให้ได้ออทุกอาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์ออพอช่วยได้บ้างค่ะอาทิตย์หนึ่งเบรกสักหนึ่งวันค่ะจิตใจมันสำคัญกว่าร่างกายร่างกายมันของชั่วคราวทาให้มันดียังไงเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายอืม แต่ใจนี่มันไม่ตายไปกับร่างกายอมันดีขึ้นเรื่อยๆลงก็อยู่ที่เราจัดการกับมันเอะจัดการอย่ามองข้าวเพื่อจิตใจที่สําคัญกว่าแล้วก็สุขทุกข์ที่จิตใจก็มีน้ําหนักมากกว่าสุขทุกข์ที่ร่างกายอื ค่ะพระอาจารย์ช่วงท้ก็พอ<ม>พอให้เลี้ยงมันพอมันอยู่กินได้ทําหากินเล้งชีพได้ก็พอแล้วไม่ต้องนำลไม่ต้องรวยแล้วค่ะพระอาจารย์ถ้าศึกษาธรรมามากๆแล้วก็ไม่อยากไปรวยใช่ไหมไม่อยากไปไม่อยากจะเป็นฆราวานไม่อยากจะไปเป็นพระแั้นค่ะเป็นพาราแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องกังวลหากินแบบบินลำ บ, บากมาแล้วเมื่อก็อยู่ได้แล้วใช่ค่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะคือเขาพยายามให้เขาให้ให้เขาอว่ามีร่างกายแข็งแรงโชคที um ่เขาจะได้มีมีแรงทำอย่างดีค่ะให้มันพอดีประมาณทางสายกลางค่ะพ่อแม่สมัยนี้บางทีห่วงลูกมากห่วงรลายเรื่องแล้วอันประกันไม่กลัวที่จะไม่่านเขาอะไรต่างต่างนี่ พยายาม<ช>ผักดันบางทีลูกก็เครีกับความผลักดันของพ่อแม่ไปก็ไม่อือค่ะอือันนี้ยมีมีควารโศกว่าโอ้ต้องไปทํานู่นต้าไปเรี น, นี่ทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ของของที่บ้านจะให้เขาเลือกเองค่ะอยากเรียนอะไรเรียนไปค่ะพอประมาณให้มันพอ <c oughs> ประมาณพอ เ, เรียนเดี๋ยวนะได้ได้คะแนนพอสมควรพอ ไม่ตกชั้นก็โอเคแล้วล่ะโอเคเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะอย่าไม่เครียดกับมันมากเกินไปค่ะทำอะไรทำแบบสบายสบายหน่อยกค่ะพระอาจารย์มองมองถึงความตายบ้างบางบ่อยๆแล้วมันจะทําไปทำไมวะเนี่ยทําไปถ้าเป็นท่าตายเนี่ยมันก็ตายอยู่ดีค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้ก็ได้ฝึกฝึกฝึกใจ ปล่อยวางเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ที่ปล่อยเขาไปกับโรงเรียนครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยปล่อยให้ให้เขาไปเที่ยวกับโรงเรียนตอนแรกแบบจะแอบไปดูดีไหมนะแตสเราคิดดูลองดูสิละลองลองดูปล่อยไปทําเป็นไม่สนใจก็ก็ก็อยู่ได้ค่ ะ, ะก็ต้องฝึกพลาดาดจากกันบ้างจะได้เขาจะได้ฝึกดูตัวเขาเองด้วยแล้วก็ได้ฝึกตัวเราเองด้วย อ่าอาจารย์ทีแรกก็ห่วงอยู่แต่ก็ลองคิดดูเออลองลองลองลองปล่อยไปสิเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องโตขึ้นเรื่อยๆรื่อเราก็จะต้องปล่อยเขาแล้วเริ่มเริ่มเลยค่ะอาจารย์อย่าอกเขาโตเขาป็นโตเขาเองเขาก็ไม่อยากจะอยู่แล้วแค่นี้ก็ไม่อยากอยู่แล้ว อ, อย่าจะกลับญี่ปุ่นแย่และค่ะอาจารย์ช่วงนี้หนูก็ได้กลับมานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เช้าเย็นได้เกือบทุกวันเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ยนั่นแหละ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจที่แท้จริงรที่ยั่งยืนที่เป็นสิ่งที่จิตใจติดไปกับจิตใจได้นอ่แต่ร่างกายนี้จิตใจเอาไปไม่ได้รทรัพย์สมบัติต่างๆที่หาผ่านทางร่างกายก็เอาไปไม่ได้าช่วงนี้นั่งแล้วรู้สึกว่ามั น, ม, นมันสงบเร็วขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็ แ, แสดงว่าสติเราดีมากขึ้นอื ยพยายามเพกสติบ่อยๆนอก<ม>จากเวลานั่งสมาธิก็ต้องมีสติให้ให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้เรียนถามพระอาจารย์เรื่องนึงอะคะ่ะที่พระอาจารย์เคยสอนว่าเวลาเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะถ้าเห็นหมายถึงถ้าจิตเราไปคิดถึงอะไรหรือว่าเห็นภาพอะไรสิ่งนั้นมันไม่จริงทีนี้หนูหนูก็นั่งคิดมานานแล้วนะคะว่าจะถามใครดีหรือว่าจะถามพระอาจารย์ดีไหมเพราะว่า อตอนที่ไปไปวัดป่าตอนเมื่อปีใหม่อะคะ่ะพระอาจารย์วันกลับอะคะ่ะตอนเช้าหนูก็อยากจะขึ้นไปกาบแล้วก็นั่งสมาธิที่หน้าพหน้าวัดหน้าพระใหญ่อะนะคะไม่เคยขึ้นไปตอนตอนเช้าเลยแล้วก็เลยขึ้นไปกาบพอไปถึงกับเสร็จแล้วก็หนูก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมคือตั้งแต่นั่งสมาธิมาหลายปีหนูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นภาพไม่เคยเห็นอะไรนอกจากพวกแบบการทํางานหรือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่น มีปัญหาเรื่องงานอ้อเราจะคิดน่าจะใช้วิธีนี้วิธีนี้หรือว่าเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยเห็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับความจริงเลยแต่วันนั้นนะ่ะพอหลับตาแค่นั้นนะค่ะพระอาจารย์มันเห็ น, ม, น, หนมันเห็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นในน้ำคะพระอาจารย์เราเป็นเป็นลําตัวเหมือนเหมือนงูงใหญ่ๆอะค่ะหนูก็หนูก็นึกถึงคําพระอาจารย์อย่างเดียวเลยค่ะว่าสิ่งที่เห็นไม่จริงให้กลับมาพุทโทนูก็พุดโทน แต่เหมือนเหมือนเราหลับตาแต่ภาพมันฉายอ่ะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนดูนสารคาดีอยู่อ่ะคะ่ะเห็นเป็นงูพันกันไปพันกันมาเป็นตัวใหญ่แล้วเห็นเป็นเขี้ยวเหมือนที่ที่อยู่ในวัดแต่วัดป่า น, น, นั้นไม่มีรูปไม่มีรูปสักการะอะไรใดๆเลยที่จะทําให้หนูคิดได้ว่าเออหนูเห็นตรงนี้แล้วมาจินตนาการถึงตรงนี้หนูไม่ได้หนูไม่ได้มีภาพอะไรหรือคิดเลยแต่ว่ามันหลับตาแล้วมันเห็นเองแล้วหนูก็เริ่มแบบกลัวเพราะว่า พุโทโธพุโทโธแล้วไม่อยู่เหมือนับถ้ามันก็ถ้ามันก็คือภาพอย่างนั้นพุโทโธหนูก็อยู่ตรงพุโทโธหนูเองเนี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นทํายังไงดีนะให้ลืมตาหรอหรือว่าเราจะพุโทโธต่อไปจนจนไม่ไหวเริ่มกลัวยอะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็เลยลืมตาขึ้นมาอย่างนี้วิธีถูกต้องไหมคะหรือว่าต้องทอํายังไงอะคะก็วิธีที่ถูกต้องและทําได้ก็คือใช้พุโทโธด้วยสวนมนต์ไปเนีย่ยไปสนใจกับ ภาพที่ประกอขึ้นมาอืถึงแม้มันยังจะไม่หายไปทันทีทันใดก็ไม่ต้องไปสนใจอให้ใพุทโอไปเรื่อยๆอันตรายใช่ไหมคะไม่มีอันตรายหรอกมันก็เป็นภาพที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาออืเราก็ต้องเอาเพุทโธเอาจิตมาปรุงแต่งให้พุทโธให้มากถ้ามันมากกว่าภาพเดี๋ยวภาพมันก็จางหายไปคือเป็นครั้งแรกเลยค่ะตอนแรกคิดว่าอ๋อเราอาจจะ คิดถึงอะไรหรือว่าไปมองอะไรมาเลยมาลองนั่งทดสอบตัวเองอีกอค่ะที่เดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี้ยลองพยายามลองคิดดูซิมันก็ไม่เคยเห็นภาพเดิมแบบนั้นอีกเลยนะคะ mm hmm. คือภาพมันชัดมากหนูก็เลยแบบเอวิธีต้องทํายังไงนะแล้วถ้าสมมติเราลืมตาขึ้นมาแบบที่หนูทําครั้งนั้นน่ะมันจะอันตรายอะไรหรือเปล่าในถึงแบบคือตาขอ ง, งต่างๆที่ปรากฏในจิตเนี่ยมันไม่อันตรายต่อจิตหรอก ออ๋นอกจากจิตไปกลัวมันเองไปคิดไปไม่ดีเองแค่นั้นเออถ้าจิตมีปัญญาก็บอกว่าก็เป็นแค่ภาพเป็นอันนี้จางไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปหน้าตาตอนนี้มันไม่ดับเพราะเราสั่งมันไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป แต่ถ้าเราไม่ไปเรารู้เฉยๆมันก็ทํามันก็ไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันดูหนังอ่ะดูหนังได้เหมือนดูหนังเลยค่ะพระอาจารยดูหนังพีแล้วจิตก็้าไปเกิดความกลัวทำไมเพรตอนแรกหนูไม่ทราบว่าไอสิ่งที่หนูเห็นคืออะไรแต่พอพอเหมือนกับภาพภาพให้เราเห็นค่ะอ๋อไปฟันยาวๆแล้วหนูก็เอ๊ะสิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าแบบนั้นแต่คําของพระอาจารย์คือ ขึ้นมาตลอดเลยว่าริงที่เห็นไม่เป็นความจริงให้กลับมาที่พุโทโธหนูก็แบบพุโทโธพุทโธแล้วมันเริ่มกลัวเพราะว่าภาพมันยังอยู่ไงคะพระอาจารย์ถ้ า, าถ้าปฏิบฏับบติวิปัสสนาก็มองให้มันเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปค่ะ อ, อันนี้จะอนัตตาเราไปท้ามันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันมันจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไปมันเยะไปมันก็ปล่อยมันไป ถ้าเราไม่กลัวมันได้อย่างมันก็จบปัญหาคือไปกลัวมันเองอไปกลัวเงาตัวเองเงาก็คือเนี่ยจิตปรุงแต่งเงาขึ้นมาภาพเราเนี่ยจะเป็นเหมือนเงาที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ไปกลัวเงาของตัวเองมันจิตไม่สงบเพราะไม่มีสติอยู่กับพุโทโธอ่าถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธไม่เผลอมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะสร้างเงามาหลอกเงาอสิ่งที่แปดคือแค่ห คือถ้าสมมุดนั่งไปง่วงง่วงหรือะไรหรือหนูยังคิดว่าเออมันมันมันปรุงแต่งมันคิดปรุงไปเองแต่เนี้ยแค่เพิ่งหลับตาแล้วก็แบบเห็นเห็นภาพหนูก็เลยตกใจแต่โชคดีมีเสียงของพระอาจารย์เข้ามาบอกว่าเออให้กลับมาที่พุโทโธกลับมาที่พุโทโธแล้วพอกลับไปที่กุฏิจะไปเก็บของนะคะอาจารย์เจองูเขียวอยู่มาห้าวันไม่เคยเจอไปเจองูเขียวหน้ากุฏิพอดียิ่งกลัวโอ้เกิดอะไรขึ้น อ่าอืมเป็นบ้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะว่าจันที่เราโอ๊ยตายแล้วก็เลยยังไม่การเล่าให้ว่าจันฟังที่ที่ล่าฟังแรกเลยสตอสติสตอกสติหายหมดเลยใช่ค่ะอาจันก็กำลังเดินเดินคิดถึงเรื่องนั้นมาอยู่พอดีแล้วมาเจอตรงบันไดเอางูอีกก็ไม่มีสติของการเดินขึ้นไปมันก็เยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จะได้ลองนั่งต่อไปถ้าสมมุติเกิด เจอเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกแต่ไม่เป็นจริตกืนขอพระคุณครับพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนค่ะการภาวนาเนี่บางทีจิตมันจะแกล้งเรานะทำเป็นมันมีผีมาเหล่ามีผีมาบีบคอเราก็มีนะอ ม, มีอะไรอยู่ดียกเราขึ้นมาทุ่มเราลงย ก, ยกขึ้นมากับเพื่อนเราทุ่มเราลงกัะเดินเนี่มี ไม่หรอกค่ะแต่แต่ที่หนูเจอที่ที่ตอนตอนมีสติก็รู้เฉยๆไปแล้วมึงจะทําอะไรก็ทําไปออวันมันเฉยไม่ไอตอนที่เจอบนเตียงอันนั้นน่าจะเฉยไม่ได้เพราะว่ามันตื่นอยู่เขาตื่นอยู่อะค่ะใช่ไม่กล้าลืมตาด้วยค่ะใจยังไม่แข็งพออืมค่ะก็ให้แล้วถึงพุทโธธรรมโอสังขโทพระเจ้าว่าเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เรากลัวก็เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไป ค่ะพระอาจารย์นึ okay. ก็ปเรื่อยจะกว่าความกลัวเนี่ยหายไปถ้ายังไม<ต>่าหายก็อยู่พุทโธทำโมสังโฆพุทโธทำโมสังโฆไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ไว้ปีหนึ่งนี้เดี๋ยวฝึกจิตให้เข้มแข็งเดี๋ยวปีใหม่ทดสอบจิตใจดูว่าไปอีกรอบไหมค่ะโอเคต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เปรอถึง ต, ต, ตอนนั้นต้องฝ <ภา S 1> ึกสติไปเรื่อยสติเราฝึกได้ทั้งวันเราไม่เฝึกกันเอง ปอให้ใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆที่มาสัมพันสนึงไว้ว่าดึงมันไว้มากค่ะอาจารย์อดีเรื่อง<ะ>มันผ่านไปแล้วก็ยังดึงเอากลับเอามาคิดอยู่นน่นน ะ, ะ <c oughs> ได้ค่ะคระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะจะไปที่จมานกัจจที่แล้กล่<ะ>าวกาอาจารย์ครับครับมาสุขกันบ้านครับเอว่ามา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 มีกรรมเปนคิดพึงอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนันนันสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอาไว้นะเราจะได้ไม่ประมาทแล้วเราจะได้ไม่หลงกับชีวิตเ้่าจนเกินไปชีวิตเราก็เป็นของชั่วข้าวทั้งเงินแทบเป็นแทบตายหางเงินมาแทบเป็นแทบตาย <ฮะ S 1> พอตายก็เท็งไปหมดเอาไปไม่ได้นแ ม, ม้แต่ชิ้นเดียวครับอย่าไปเครียดกับการการการอยู่การกินมากจนเกินไปครพอพ อ, พอกินพออยู่ได้ก็พอเ <c oughs> อาเวลามาทำใจให้สงบดีกว่าใจสำคัญกว่าแต่ก็ร่างกายนี่ก็คอยพิจารณาดูความไม่สวยงามอยู่เรื่อยๆนะด้ยการพิจารณา อาการสาิสองมีอะไรบ้างมีผมขนแล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูม <c oughs> กม้ามหัวใจตับผ <c oughs> ังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศรีรษะ <c oughs> น้ำดีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำแื่อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแผลข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแผลข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดีเยื่อในสมองศึกษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจ มามเนื้อในกระดูกระดูกเอ็นเนื้อหนังปันเล็บผลผมง่งยร่างการนี่สวยงามไหมไม่สวยครับโอเคนะถ้าเห็นมันเรื่อยๆรเราประกันได้ว่าจะไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมาทุกกับลูกเหมือนกับพ่อแม่เราที่มาทุกกับเราครับอยู่คนเดียวได้สบายกว่าเยอะครับพอมีครอบครัวมีแฟนนี ก็ต้องมาทุกกับแฟนมาห่วงแฟนมาห่วงแฟนชมากับลูกมากังวลกับลูกอยู่คนเดียวได้สานจะสบายไม่อยู่กันพอไปเห็นว่าร่างกายสวยงามพยายามมองว่าไม่สวยงามมองดูอาการภายในพอหลังก็บอก beauty skin deep ใช่ไหมคนะาษาอังกฤษนี้ไหม beauty skin deep ครับครความสวยมันก็แค่ยอยู่ที่ผิวหนังนี่ใช่ <Sure. S 2> ครับ oh. มองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมีอะไรมีเนื้อเอ็นกระดูกครั oh. ปอดตับไตไส้พุงต่าง yeah. พยายามดูบ่อยๆนะเราจะปลอดภัยจากการจะต้องไปมีครอบครัวทุกข์กับการมีลูกทุกข์กับการมีคู่ครองครับ oh. mm hmm. โอเคนีคำถามอะไรคุณแม่ไม่มีแตรหนูยังปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วนั่งสมาธิยัง45นาทีอยู่ยังส45อยู่ครับไม่ขึ้นเป็น46ด้วยราคาเพิ่มจะเพิ่มเป็น50ไปเลยครับลองดูเพ <c oughs> ิ่มไหวดีอาทิตย์นี้ไหมอาทิตย์หน้ารายงานได้ไหมเอาการงานไปทําอาการบ้านไปทานะ50 <c oughs> ครับโอเครับ <Okay. S 2> <c oughs> ดีมากต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโ okay. อเคสาทุปลาขับพระคุณพภอาจารย์ครั บ, ร น, ร น, รบน้องทิมต่อแบบพมธีการค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคุณพ่อมาด้วยค่ะเป็นยังไงน้องทิมนนี้นั่งนั่งได้กี่นาทีต่อครั้งสิบสามนาทีครับสิบสามแล้ ว, ลวโอ้ดีเนี่ย พัฒนาไปเรื่อยๆอธิณีนั่งได้แค่หกวันครับหวันวันวันเสาร์วันเสารก็หยุดมไม่ครับอาธิณีนั่งวันเสาร์เลยวันเสาร์ด้วยแล้วมาหยุดวันไหนอ่ะเออหยุดวันแล้วยังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่อหัดครับหันงครัมันพูดครับมันพูดมันพูดมันพูดใช่น้ำครับ มันพูด้วยตอนที่เข้ามาอคที่ที่าไม่ได้เข้ามาอะไนี้นค่ะพอดีเขามีงานค่ะครับมีงานต้องส่งที่โรงเรียนค่ะก็เลยไม่ได้เข้าค่ะอาจารย์อพยายามทมําอือค่ะมีอะไรไหมอ๋อปล่าเปล่าค่ะเอ่าเขาก็ขึ้นของเขาเองอะค่ะสิบสิบสามนาทีเขาขึ้นเองโดยที่เด็หนูก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาขึ้นเออเราไปกดอันดวนอะไรหรอกกดยกมือเอ่เราไม่ได้กดเนี่ย ออไม่เป็นไรแห ล, <c oughs> ละก่อนอะไรก่อนไปต้องเอามือลงเหรอไม อ๋อเหระขอโทษทีค่ะพระอาจารย์หนูก็ไม่ทราบก็ของเขาก็พอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพอดีคุณพ่อเขามีมีทําผ่าตัดหัตถการเล็กๆอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วเขาก็เลยต้องนอนอยู่กับพี่เลี้ยงสองสองคืนนะคะหนูเพราะว่าหนูต้องไปเฝ้านอนเฝ้าแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็ก็บอกว่าให้เขาดูแลตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามนอนให้ได้อะคะ่ะ mm hmm. เขาก็แล้วก็ฝากฝังเขาเรื่องว่าเออให้เขาแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเองด้วยอะคะ่ะเขา ก, เขาก็เขาก็ทํา ทำเองรับผิดชอบเองในส่วนนี้นะคะพราวอืนพยยังขึ้นตัวเองหาเพิ่มตัวเองก็พยายามให้เขาทำเขาก็หนูก็เลยเพิ่งทราบว่าเขา่ขึ้นมาเป็นสิบสามนาทีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาขึ้นเองก็เออเออก็ดีก็ดีแล้วค่อยค่อยบอกเออจากที่จุดเริ่มต้นเขาเพียงแค่ห้านาทีอ่ะค่ะเขาก็ค่อยค่อยขยับขยับขยับมาอะไแบบเนี้หนูก็บอกเขาเดี๋ยววันนึงก็ได้เหมือนพี่จะมาจะตีแหละอะไรเงี้ยค่อยค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะดี ก็ก็โอเคในส่วนของเขาค่ะพระอาจารย์นั่งต้องมีสตินั่งอย่างนั่งเฉยๆนะครับนั่งอยวกับพุโทโธพุโทโธไม่ อ, อยู่กับลมไปครับอ่าแล้วก็ส่วนของหนูค่ะพระอาจารย์ก็หนูจะมาเรียนว่าพอดีตอนที่ไปนอนเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะคะหนูก็เจอลักษณะแบบเอคล้ายๆกับที่คุณแม่น้องพีเคเจอที่เหมือนว่า เหมือนมีอะไรมาเดินอยู่อะค่ะแต่ว่าหนูว่าด้วยความที่หนูเคยฟังมาแล้วอะค่ะแล้วหนูก็เลยคิดว่าเอ้อมันอาจจะแบบเหมือนเราคิดไปเองจินตนาการไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนมีอะไรมาเดินเดินอยู่ตอนที่นอนนะคะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลยนึกถึง<ม>ก็เลยสวดมนต์แล้วก็เหมือนพุทโธตั้งสติอยู่กับพุทโธค่ะแล้วหนูก็นึกถึงพระอาจารย์ในสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าก็ลืมตาดูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยลืมตา พอหนูลืมตามันก็ไม่มีอะไรอะค่ะแบบมันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรอ่ะแต่เพราะว่าหนูหลับตาค่ะหนูก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาเดินอยู่ตรงข้างๆเตียงที่หนูโซฟาที่หนูนอนเฝ้าค่ะคือหนูไม่ได้หนูแค่รู้สึกเหมือนแบบมันทําให้หนูนอนไม่ค่อยได้ค่ะหนูก็เลยแบบต้องอยู่กับบทคําบริกรรมพุทโธไปหรือว่าสวดมนต์ไปค่ะแล้วพอลืมตาขึ้นมาอีกอะค่ะก็ก็ก็ไม่มีอะไรอค่ะก็เลยก็ก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะไปเลยจิตจิตร้อนเนี่ยจิตร้อนตึงเราค่ะพ พี่จริงไม่เล่าพี่เล่าไม่จริงอค่ะก็ก็นึกถึงที่พระอาจารย์บอกแล้วจนจนถึงตอนหลังถึงมาคิดได้ว่าเออหรืออาจจะเป็นที่แบบ คุณพ่อเขาแบบผ่าตัเดเสร็จแล้วเขาแบบเหมือนเขาขยับตัวอยู่เรื่อยๆอะค่ะพราะมันขยับตัวเราก็รู้สึกเหมือนมันมีม o v e m e n t อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบแบบนั้นมากกว่าในส่วนเคสของหนูอะค่ะว่ามันมันพอเรามันไม่มีสติมันก็อาจจะจินตนาการให้เราจินตนาการไปอ่ะค่ะเราก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคําบริกรรมแบบ<ม>พุทโธหรือว่าการแบบสวดมนต์ภาวนาก็ก็ ก, ก็โอเคค่ะสุดท้ายก็ก็ก็ก็โอเคค่ะก็ผ่านไปได้ค่ะค่ะอาจารย์อื แล้วลองไปนั่งในป่าชา้าหรือสผีมาเยอะแยะเป็นวันเลยอันนั้ น, นจะไว้ไหวหนูน้อยแน่ใจว่าจะไม่จินจินมันปรุงแต่งเป็นมาเองเพราะมันมีความค้าความฝั ง, ง, งอยู่ในใจว่าเวทป่าช้าก็คือที่อยู่ของผีเอาไปอยู่ในป่าช้าเพาื่ออะไรคิดแต่เรื่องผีทั้งนั้นว่าผีมาแล้วได้ยินเสียงลมงพายก็ผีมาได้ะยินเสียงตุ๊กแกก็ผีมาค่ะไม่มีหรอก มเป็นเรื่องของจิตของเราไปปรุงแต่งเราตัวเราเองอ่าก็ทุกวันนี้เวลามีอะไรลักษณะแบบนี้ก็จะพยายามคิดคิดถึงคําที่พระอาจารย์สอนนะคะว่าว่าจิตมันมันปรุงแต่งเองว่าเรากลัวไปเองอะไรแบบเนี้แต่ว่ามันก็ก็อย่างที่บอกก็ยังมีความกลัวค่ะแต่ก็เริ่มพยายามเพราะเร า, ามมไม่มีสติและงับมันอ่าถ้าเรา ม, มีสมาธิเมื่อไหร่เราอยู่ที่ไหนมันก็จะไม่มีอะไรครับอือ้อ เจ็บเน่งแล้วไม่มีอะไรคมาปรากฏให้เห็นนะค่ะ ห, หนูก็ก็มีเจอรายงานพระอาจารย์เท่านี้ค่ะอาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์โอเคแล้วคุณภาพเป็นยังไงบ้างหายดีก็เลยก็ดีขึ้นแล้วครับพระอาจารย์อือดีขึ้นตามลาดับโรคภัยแค่เจ็บเป็นธรรมดารนะ่างกายครับการแก่เจ็บตายครยับผมพยายามคิดถึงมันบ่อยๆแล้ก็แยกเราออกจากร่างกายว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นเบาเราก็ดูแลมันไปตามอัตภาพค่ะอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปวิตกกับมันพระอาจารย์ห้ามมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บจะตายนี่ห้ามมันไม่ได้ครับโอเคขอบคุณพระอาจารย์มากจาก้าค่ะ ข, <อ S 1> ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะแลวถูกเจ้าค่ะ อ่ามาถึงน้องพี่เคแล้วอยู่กับแล้วไม่น้องพีไม่ใช่น้องพีเคน้องพี ก, ก, การมนุษการจะขวานา ง, างให้ขึ้นไปนอนแล้วค่ะตู้นี้ต่อมีโอกาสมัจจะหวะหลบได้หลบเลยค่ ะ, ะจริงๆว่าจะเราก็ก็มีคุยอ่ะค่ะว่าจะเข้ามาขอโทษมอม า, มาอาทิตย์ที่แล้วที่แสดงกิริยาไม่ดีค่ะก็เลย ให้ขึ้นไปนอนก่อนเลยค่ะไว้รออาทิตย์หน้าแล้วกันค่ะเพราะว่าอยากไปบังคับเขเลยถ้าเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบไม่อยากเข้าก็ปล่อยเขาไปค่ะก็เป็นในช่วงที่หัวเลี้ยงหัวต่อค่ะเพิ่งจะเป็นช่วงเดือนเดือนกว่ากว่านี้เองที่เป็นเดือนสองเดือนนี่เองค่ะโดนเพื่อนบูลี่เยอะจนแบบจะต้องทำตามเพื่อนหนูก็เลยโอก็พยายามปรับปรับตัวเยอะเลยค่ะ ดีก็ต้องปรับตัวปรับใจเราอย่าไปทุกข์ก็ไม่เรื่อมเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปห้ามมันให้มันเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องทำใจรับกับเหตุการณ์ทำใจให้วางเฉยไปทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็คิดว่าเป็นกรรมไปก็แล้วกันก็แต่พอพอ พอยึดมือถือใหม่แล้วก็มาตั้งกติกาเขาก็ยอมทําตา ม, มก็คือมันต้องอ่านหนังสือก่อนแนละอนุญาตให้เล่นนะเกมไม่งั้นก็ไม่ให้เล่นเขาก็อ่านหนังสือคนะ่ะก็นั่งก็นั่งเรียนด้วยกันอ่านด้วยกันแล้วก็โอเคให้เล่นหนึ่ง<ม>ชั่วโมงได้แล้วพอดีว่าพรุ่งนี้เริ่มสอบแล้วค่ะเดี๋ยวก็วันที่สี่ก็สอบสอบเสร็จแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็คือออกจากที่นี่ถาวรค่ะมันก็จได้ไปเข้าที่ดันดุล มันน่าจะดีขึ้นค่ะโอเคมีอะไรไหมก็มีค่ะตอนนี้หนูก็ยังได้ยินเสียงอยู่หนูก็รู้สึกแบบก็รู้สึกเป็นทุกข์ค่ะบางทีก็แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะก็พยายามที่จะไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปฟังค่ะแต่ที่ผ่านมาก็าก็หนักหนามเหมือนกันบางทีก็เหมือนแบบว่า เ, เขาเรียกว่าทําให้ทำํนทำนู่นทํานี่อะไรเงี้ยแล้วบางทีเราเราเข้าใจว่าเออเป็นเสียงที่ดีมาสอนเราะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็มีเสียงที่ไม่ดีมามาพูดมาด่าเราแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเ อ, อเวลาเราคิดเราจะทําอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนว่าจะมาดักทางเราหมดเลยอะไรแบบเนี้ค่ะคือหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีค่ะ แล้ว ก, ก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็ไม่ต้องไปฟังเขาเราก็ทําเราก็ทําว่าไม่ไม่ต้องไปสนใจเท่านี้บางทีก็เหมือนที่ที่พระอาจารย์อ่าสอนสอ น, สอนมาสักคู่เนี้ยค่ะว่าบางทีเขาก็ยกตัวเราลอยเหมือนอะไรแบบเนี้ยานทก็ทําให้หนูหัวเพราะบางทีก็ทําให้หนูร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ<ม>โอ๊ยหนูทําอะไรไม่ถูกเลยอะคะ่ะ ถ้าทำพุทโธไงใช้สติถ้ามีสติมากๆเขาก็หายไปเองค่ะก็ต้องพุทโธทั้งวันเลยค่ะพุทโธไปเรื่อยๆพอมีสติแล้วการต่างๆที่มาหลอกเรามันก็จะหายไปค่ะนะสติจาเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมจิตใจของเราไม่มีสติแล้วจิตใจก็สามารถที่จะแสดงอะไรต่างๆมามาหลอกมาล่อมาอะไรได้ มันทีก็มาลอกให้เราหลงไหลหั่งคายบาทีก็มาหลอกให้เรากลัวใช่แต่ถ้ามีสติปั้มมันก็หายไปหมดสติมันก็เป็นเป็นยังเหมือ น, นที่ผ่านมาเหมือนโดนจุงจิตให้ทาแบบอาหารมันรู้สึกไม่โอเคแับไอ้นี่เลยไ ม, ไ, มไม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับ ต, ตัวเองแล้วถ้ามีสติล้วก็จะควบคุมใจเราได้ พยายามฝึกสติบ่อยๆก็ต้องพุดโทตลอดเลยใช่ไหมคะให้เท่าไหร่ยิ่งยิ่งมากยิ่งดีเราจะสามารถควบคุมสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราได้โ อ, นนอเค น, นะนนมีอะไรไหมไม่มีแล้วจ้ะค่ะอ่ะรู้รรึีนมาจะมาพอดีลงมาพอดีแล้วกูะ ยังไงครับขึ้นนอนแล้วเหรออาะยังไม่รับเลยค่ะบางที<อ> <c oughs> พ, พูดยังไงบางทีอขอขอโทษคะ่ะที่เมอาทิตย์ที่แล้วที่นุ้งพีพูดไม่น่ารักอะพูดไปหลุจะได้ค่ะถ้าหําตาคะ่ะที่อาทิตย์ที่แล้วหลงพูดไม่น่ารักแบบ น, นี้นะยค่ะ แม่หลวงตาไม่อภัยน้องพีนะคะแม่ <g ül> อ๋อไม่เคยคิดอะไรกับน้องพีเลยน้องพี่จะทําอะไ ร, น, ไรน้องตาก็เฉยเฉยใช่ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจกับการกระทําของน้องพีแต่อย่างใดคอยน้องพีพยายามมีสติก็ักขุมอารมณ์ไว้ก็แล้วกันนะ<แ>อ่าเขารู้จักการแสดง ต, ตัวเรา เวาเราอยู่กับใครก็ต้องมีความเรียบร้อยมีความสำมำรวมนะค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยเราเข้ามาในสุนี้ก็ถือว่าก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป็นโดยปริยายไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะก็นี่ก็เป็นห้องเรียนไ ง, งเรียนเจ้าค่ะคุณเอามาเรียนกันมาเรียนธรรมะกันเนาะค่ะโอเคนะคะใจใจนะครับ ยิหม่าโอเคนะอาตอนนี้ก่อนนะค่ะอาดูอันค่าคันชิดเป็นคันชิดหลับแล้วเลยขอภัพเลยน่าจะหลับอยอยู่ใต้วันบันนี้มันก็หลายทุ่มมาเลยนะอาไปที่คุณหมอสุท ธ, ธาเสน่ก่อนนามสการท่านปาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไง สบายดีเจ้าค่ะท่านพาจารย์จิตสงบดีสงบดีไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรมาหลอกมาร้อนแเรานะไม่เคยมีเลยเจ้าค่ะอ่านั่นแหละผลของการมีสติสติจะสามารถควบคุมการแสดงอาการต่างๆของจิตได้เจ้าค่ะท่านพาจารย์พยายามรักษาสติไว้ตลอดเวลาเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคอ่ะ คุณอาจารย์ผมไม่ได้ยังไงคุณนุกูลหายดีแล้วยังไหแล่ะค่ะกำลังจะจ้างอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บไม่เจ็บแต่ว่าจำอะไรไม่ได้อ่ามันหมดสติไปเลยนะก็เออไม่รู้ตัวเลยครับ ไม่รู้สึกว่าแสดงว่าหมดสติเหมือนเป็นลมอ่ะลงจากรถปุ๊บก็แบบแผ่นดินกระเทือนน่ะหรือว่าสมองแตกหมดละทั้งทั้งอาทิตย์ก็ได้ยินแต่เรื่องคนลมคนลมกอตัวเองก็เลยลมสเลย์วันที่แล้วก็อาจจะมีอะไรสะดุดการทำงานของของของระบบของร่างกายมันสะดุดมันหยุดทำงาน ใช่ใช่เห็นคุณหมอสันนิชานว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ไม่พอครับไกยวูปไปกลับเพราะยาที่ให้ทานก็จะทำให้ตอนช่วงบ่ายๆความดันจะค่อนข้างต่ำฮะไปถึงตอนเย็นระบบมันเริ่มมันเริ่มเก่าแก่นะมันไม่เก่าเลเก่ามากเรี๋ยววัน คิดว่าเ้าส่งสัญญาณมันเติมนั้นตอนนี้ไฟเหลืองนะฮ่าฮเหลืองมันนั้นเข้าเข้าบอดีมลูมอยู่แล้วทั้วันวันที่สองก็จะแปดสิบนะคจะไปกาบถวายหารพระจารย์เนี่ยทําไมไมีอะไรติดคัดนะคะอผมไปไปถวายอหารที่ศาลาก็แก่จริงแล้วค่ะแปดสิบแล้วค่ะ ทน อ, อยู่ไปนานๆก็แล้วกันทนอยู่ล้มบ่อยๆล้มบ่อยๆ ก, ก็ไม่ไหวค่ะทุกคนแบบตกอกตกใจกันหมดทั้งบ้านคนขึ้นรถกันทําไม่ทันตอนนี้ก็เลยทําอะไรไม่ได้ทุกคนก็จะทําให้หมดเลยก็ถึงเวลาแล้ ว, ลวนะตอนนี้เราแล้วกลับไปสู่สภาพที่เราต้องมีคนอื่นดูแลเราแล้ว ก็น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะเป็นเดี๋ยวก็แบบยืนยืนเฉยแบบจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นห่วงแต่ไม่ต้องกังวลนะจะไม่ดก็เกิดไม่ไม่มีใครได้เป็นห่วงทุกคนปฏิบัติเหมือนที่พระอาจารย์สอนเพลงหรือว่าปูเฝ้ามองแล้วดูว่าตอนต่อไปจะเป็นอะไรหลังจากแบบยืนเฉยๆแป๊บหนึ่งเห็นนะคะวันนั้นอ่ะเพราะว่าอ้อมรถมาเหมือนกันเห็นแล้วว่า เขาไก็ไม่ทันเพราะว่าแผ่นดินถล่มลงมาเลยแบบปุ๊บทันทีทันใดไปช่วยไม่ทันเลยนีาทุกอย่างเรียบร้อยดีครับขึ้นรถไปก็ไปฟื้นอ่ะเราบอกอาฟื้นแล้วก็โอเคแสดงว่าโอเคตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วทำงะไรได้หมดเลยทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเพียงแต่ว่าหน้ายังไม่หน้าบวมเพียงแต่ว่าเขายังไม่ยาให้ยาเพิ่มหรือเปล่า มตามยังครับยังครับเดี๋ยวจะเจอหมออาทิตย์หน้าครับอาทิตย์ที่เก้าครับน่าจะลดยามากกว่าเพราะว่าความดันมันมันน้อยค่ะอืมช่วงบ่ายความดันจะน้อยบ่ายแล้วก็ตกไปถึงตอนเย็นก็น้อยอยู่ตอนนี้โอเคคนะทุกอย่างเหมือนเดิมไปตามไปตามผ่านๆเมเดิมตัว เตรียมสติสตาไว้ให้ดีใจใจโ okay. อเคค่ะเอะให้ดูแลช่วยกันดู<จ>แลกันไปใจต้องนิ่งใจต้องเฉยมีหน้าที่อะไรก็ทำไปรับได้นะคะเห็นเห็นมันนั้นเรารับได้เลยนะึกว่าอืมเสร็จแน่เห็นแบบลงแบบมันพันเุเมินนั่ะเห็นเป็นกันลูกกันตาแบบ เอาละไม่เป็นไรโอเคค่ะเดี๋ยววันจันทร์ไปกราบพระอาจารย์ค่ะสาธุจ้ะอ่าไปที่คุณสาธิกาต่อมาความธรรมครับอาจารย์ปฏิบัติค่ะเตรียมตัวนะแก่เจ็บตายเป็นของข้อสอบเราเรานกันค่ะคุณเอกยังไงพร้อมหรือยังกับความแก่เจ็บตาย บอาจารย์ครับก็ตรียมตัวอยู่ครับพระอาจารย์ครับอก็เป็นญาติาสบายครับเขาปฏิบัติบูชาอยู่ครับพระอาจารย์ครับอทํางานบ้านนิด น, นึนะะงก็อยู่แบบคนแก่อยู่กับบ้านไม่ต้องทําอะไรกิ<า>ร น, น, น, นกันอยก็พอคนแก่ไม่ทําอะไรมากวันนี้มาฟังคำคกับพระอาจารย์ครับโ อ, อเคนะาาทุก เราโมสตาร์ูค้าอ่าคนเซเลนดอนอธิเทลหายไปนะหนูนกล่าวว่าจการพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วหนูเข้ามาแต่ว่าหนูเข้าไม่ได้คะ่ะอาจจะอาจจ ะ, ะ ค, คนเยอะเลยตอนี้ยังมีคนนอยต้องเจ็ดคนอยู่ใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยค่ะก็วันนี้ก็เข้ามากราบพระอาจารย์ก่อนค่ะแล้วก็เข้ามากราบแทนเพื่อนด้วยอะค่ะพอดีจิบเ้าอาจจะเข้ามาไม่ได้เพราะต้องมีประชุมก็เลยฝากมากราบพระอาจารย์ค่ะอืมก็ ที่ผ่านมาหนูก็สบายดีคะ่ะอาจจะเมื่อวานฟังพาจารยร์ของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็วันนี้ก็เห็นว่าหนูหนูเชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคนต้องมีประสบการณ์ตรงหรืออ้อมเกี่ยวกับความฝันความนิมิตหรือว่าไปรูหร้หนูเชื่อว่าแต่ละคนนะคะแล้วก็อย่าไปลงตามมันก็แะ้วาก็ หลังจากที่หนูเคยกราบเรียนพระอาจารย์ตอนไปปฏิบัติธรรมสิบวันนะคะหนูเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่ความจรงิงมันไม่ใช่ความจรงิงเพราะว่าหนูเองก็เคยหนูเองก็เคยเหมือนกับว่าไปนิมิตไ ป, ไป ล, ลิมิตไปกราบหลวงพ่อองค์หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยในสมาธิคือไปในสมาธิเลยอะคะ่ะดักสมาธิู่ออกไปเลยแล้วหนูก็ไปถามหลวงพ่อว่าหนูมากราบหลวงพ่อหลงพ่องงหลวงพ่อที่วัดที่นี่นะคะท่านก็บอกอะ หนูใจหนูก็คิดว่าเอ๊ะท่านยังจําเราไม่ได้เลยด้วยซ้ำเราเ ป, ป็นปั่นถึงเป็นนิมิตถึงพานเป็นตุ<ช>เป็นตากว่าเราเป็นนิมิตถึงนั้นเจิตท่องถุนแตงเบงนะเอ๊มันไม่มันไม่ใช่ความจริงอะคะ่ะก็หลังจากนั้นหนูก็หนูก็เข้าใจว่าที่พระอาจารย์สอนว่ามันไม่ใช่กลับมาที่ลมกลับมาที่ลมกลับมาที่ลมเนี้ยค่ะหลังจากนั้นกลับที่ไม่พุทโธก็ลมพยายามอยู่นิ่งที่สุดเพราะว่า ใจเรามันไปเจออะไรมาระหว่างระหว่างวันทุกวันมันมีการกระทบกระเทือน <c oughs> แต่มันก็ปรุงแต่งไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยเข้าใจเข้าใจว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แล้วมันนิมิตมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่ว่านิมิตในความความเป็นในความที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมพะอาจารย์ได้ป้ะไหมะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราเอามาได้ก็ใช้ได้เช่นถ้าเห็นกองกระดูกเงี้ยเราก็เอามาใช้ได้ อืมมัน่ิจารณาว่าองค์กระดูกนี่มันก็มีอยู่ในร่างกายของคนทุกคนทุกครั้งเห็นร่างกายใครก็เล็ถึงองค์กระดูกที่เราเห็นค่ะค่ะค่ะก็ใช้ได้เป็นวิปัสสนามันเป็นอสุภะี่อืมอืมค่ะอาจารย์แต่ถ้าไปเห็นกองกองเงินท่อผูกเขาโอ้ยต่อไปเราจะรวยแล้วมานั่งรออย่างนี้ไม่ไม่เป็นประโยชน์นเนี่ยเป็นกิเลสนะ ไม่ไม่อะค่ะจริงๆหนูก็เคยมีนิมิตอะไรลักษณะนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นที่ว่าชีวิตนี้ต้องปล่อยวางแต่เปนมันเป็นลักษณะของนิมิตที่ว่าเราต้องปล่อยอปล่อยปล่อยอะไถ้ามันเป็นสอนธรรมะกับเราใช้ได้อะไรที่เป็นติเลสก็ต้องรู้ทันไหมใช่ค่ะแล้วก็ในนิมิตหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าถ้าเราตายไปเร า, เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวชื่อเิียติยศเงินทองหน้าที่การงานทุกสิ่งทุก เราที่สังคมเขาให่เกียรติให้อะไรเรามาแล้วแต่นี้มีประโยชน์อย่างเนี้ค่ะมันมันเกิดผุดขึ้นในนิมิตลักษณะเนี้มากกว่านิมิตมันมีทั้งสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเราต้องรู้าจักแยกแยะว่าอะไรเป็นเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์นถูถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปยุ่งกมันเลยดีกว่าดื่มมันไปเลยแค่นี้ก็จบอย่าไปคิดถึงมันค่ะแต่ลักษณะของนิมิตเหล่านี้คือมันจะผุดขึ้นแล้วมันก็หายไปเองหลังจากที่เหมือนกับว่า เ, เราเพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังวน่าตาไปก็ได้จบ่อาาเป็นสภาวะธรรมขึข้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะทุกอย่างนั้งรถอยู่เราเกิดเห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ผ่านมาหรือว่ามผมล่วงตัดเล็บลยอะไรเงี้ยเหมือนหนูก็จะมองว่านี่คืออนิจจังอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงทุกต้อง ดีที่สุมองให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะหนูก็ใช้ใช้ตรงเนี้ยในชีวิตประจําวันตลอดไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องลูกเรื่องความคิดหรือว่ามีอะไรผุดขึ้นมาเราก็จะพยายามคิดว่าปล่อยมันก็อยู่เป็นอยู่ของส่วนของความคิดเราก็อ ม, มองแล้วเราก็วางมองก็วางเดี๋ยคิดกันแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแนละ้วอะไรทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็จบเวลาที่เราตาย ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูหนูก็คิดไ ป, ปเครียดกับมันมากไปเครียดกับมันไปทําไมไปกลัวมันทําไมอนูนึกถึงความตายถ้ารู้จักใช้ความตายจะมันเป็ น, เ ป, นเป็นประโยชน์มากช่วยดับความทุกข์องใจได้เยอะเลยมีตบ ก, กังวลห่วงใยอะไรพอคิดถึงความตายมันหายหมดน่ะหนูรู้สึกว่าชีวิต ต, ตั้งแต่หนูฟังธรรมะพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคะ่ะ แต่ถ้าจะมีปัญหาก็คือเราไปรับรู้ไปรับฟังเรื่องคนอื่นแล้วก็ไปเอาของคนอื่นมาคิดแต่ตัวเองมีปัญหาก็เดี๋ยวไม่ได้รู้สึกมันปล่อยอะค่ะมันแสดงว่าเรามีธรรมะคอยปกป้องไม่ให้ไปหาเรื่องมาใส่หัวเราค่ะหนูรู้สึกว่าของเราเรื่องของเรามันก็เป็นมันก็เป็นไม่ได้มีอะไรสับสนคนนใหญ่มีเรื่องเพราะว่าเกิดไปปลูกแต่งอย่างได้นู่นอย่างได้นี่ท่านอ่ะพออยากได้ขึ้นมามันก็ไม่มีความสุขแล้วต้องดิ้นรนนะใช่ไหม ใช่ค่ะพรอาจารย์ก็ถึงได้ว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะบอกว่าไม่อยากเลยก็ใช่ค่ะมันคือมีมความพอมากกว่าความอยากครับอ่าพระอาจารย์อืต้องกราบขอบพระคุณธรรมะที่เรียนรู้มาจากพระอาจารย์มากๆทําให้ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูสบายอ่ะคะ่ะไม่ไม่มีความอมความพอเนี่ยดีที่สุดถ้าสามารถทําใจให้พอได้โอ้แม่สารจะสุขสารจะสบายไม่ต้องไปดิ้นรนใช่ค่ะ แต่าาถ้าไห้พอเมื่อไหร่เนี่ยวุ่นวา ย, ยใช่ไหมต้องได้นู่นต้องได้นี่ต้องมีนู่นต้องมีนี่ขึ้นมาวุ่นวายเลยสิค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาที่เวลามีเรื่องกระทบหรือมีเรื่องวุ่นวายใจหนูเพรามันนั่งสมาธินั่งนั่งจนกว่ามันจะสงบอะค่ะนั่งปิไปขณะวิธีแก้ปัญหาดีที่สุดไม่ใช่ไปหาเหล้ามาดื่ม <c oughs> คนที่อเมริกาส่วนให ญ, ญ่พอเครียดก็เอาเหล้ามาดื่มเอายาเสพติดมาเสพมันใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีปรากฏการ ที่หนูรู้สึกว่าคนจิตใจคนของประเทศนี้ไม่สงบอะค่ะมีแต่เรื่องทะเลาะกันล ต, ตลอดเวลาแล้ว<ม>แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในสภาวะเช่นนั้นหนูรู้สึกว่าที่จะปล่อยวางได้แต่บางทีเราเห็นคนภายนอกที่เรารู้จไม่ปล่อยอย่างงี้ค่ะหน้าสงสารก็ไม่มีที่เพิ่มไม่มีใครสอนเขาไม่มีใครสอนให้คิดถึงแก่ความแก่เจ็บตายเขาคิดว่าเขาจะอยู่ไปนาน ต้องอยู่แบบร่ำรวยอยู่แบบสศกอย่างสบายกงนรู้แล้วตามหาผลประโยชน์อะค่ะพระอาจารย์ต้องทำรวยนั่นแหละคะ่ะพระนึกว่าปัญหาพอเราไปติดวัตถุแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคอยพิเรนมันก็จะผลักให้เราหามากขึ้นดีมากขึ้นนะแล้วพอไม่ได้ขึ้นมาก็เครียดกันใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็ฟังที่พระอาจารย์เคย ให้เอเคยให้พรที่บอกว่าไม่ต้องร่ํารวยแต่ขอให้มีกินมีใช้อยู่อย่างมีความสุขไปไม่ต้องมากพอมีพอกินก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วค่ะอาจารย์เศรษฐกิจพอเพียงในของรัชการที่เก้าค่ะอาจารย์พออยู่พอกินก็พอแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ไงก็กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงแล้วก็ขอให้อาจารย์ท่านขอให้มีสติคอรักษาใจให้พอก็แล้วกันนะ พอเกิดความอยากขึ้นมาตันนั่นเลยปมทานถ้ามันไม่จําเป็นก็อย่าไปมีมันอยากอะไรแนละ้วถ้ามันไม่มีมันไม่ตายก็อย่าไปเอาดีกว่าค่ะหนูหนูโชคดีมากหนูหนูก็ห น, หนูก็มาทางทางที่พระอาจารย์สอ น, นะะอ่ะคะนัะ่นคือใจจะไม่เครียดใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่ตามสภาพของเราพอมีพอกินไปวันวันหนึ่งจะ อ, อะไรใช่ไหมอาชีพก็มี <laughs> แค่นี้แ่ะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบนะใช่ค่ะพระอาจารย์นเอาความสงบนี่ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์กรบาบขอบพระคุณในคาําสอนเจ้าค่ะอ่ า, าเอาไงอ้อมอ้อมน้ำมัสการค่ะมาฟังทำค่ะฟังห ร, อหรอือเปล่าฟังค่ะฟังเลยได้ยนอะไรบ้างล่ะ ได้ยินเยอะนั่งค้ำอยู่ค่ะนั่งค้ำน่งค้ำอะไรก็หลายเรื่องค่ะก็ได้ประโยชน์ค่ะพระอาจารย์โอเคนะไม่กลัวแล้วนะค่ะเรื่องกลัวไม่น่ากลัวแล้วนะเ่ะจิตล้วหลอกเราเองนะตอนนี้พยายามฝึกเอ่อสักแต่ว่ารู้อ่ะค่ะพระอาจารย์ได้ยินอะไรแบบใครพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่ดีใจเสียใจค่ะก็รับฟังก็ไม่พูดอะไรต่อ อ่าแต่ไม่ยินดีร้ายกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้เพราะถ้ายินดีก็อยา่างกก็เกิดความโลภขึ้นมายินร้ก็เกิดความชั่งขึ้นมาก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาทีน่ะถ้ารู้เฉยเฉก็จะไม่ทุกข์ค่ะนะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าคุณยินดีคุณยินดีต้องเปลี่ยนชื่อแนละ้วมั้งไม่ยินดีไม่ยินร้ ไม่ค่ะไม่เอาค่ะความโลภค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ดุยินรนะความโลภก็ไม่มีความเกลียดก็ไม่มีนะค่ะพยายามแล้วค่ะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้อไม่เกลียดมันไม่ค่ะพยายามค่ะท่านอาจารย์เมตตาค่ะท่านอาจารย์เมตตาและก็ศักดิ์สิทธิค่ะถูกตามโอเบกคาเมตาก็โอเบคา ค่ะท่านอาจารย์ค่ะดีค่ะที่ได้ธรรมะของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ได้อาจารย์เป็นล่มโพล่มไฟให้ตลอดมันก็เลยเย็นมาถึงทุกวันนี้ค่ะท่านอาจารย์ <Okay. S 2> แล้วความทุกข์ น, น้อยลงค่ะท่าอาจารย์น้อยลงเนื่นกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็โดนหิมะอีกแล้วว่าโดนมาที่นี้ที่นีวน้วันวันจันทร์เนี้ยค่ะท่านอาจารย์วันจันทร์ ค่ะมาอีกล้อมึงแล้วเดวิดจะเดินทางไปประชุมที่ที่เซาท์แครโรไห น, หนาที่สมัยก่อนนะคะกรีนวิลล่าค่ะเขา ไ, ไปเดินทางไ่ไ้เพราะว่ า, าไฟล์ยกเลิกหมดเลยคะ่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ให้คนจับกดเลยทำามีมีวันนึงปิดถนนหมดเลยหยุดไหมค่ะท่านอาจารย์แต่แต่ที่หนูอยู่โชคดีค่ะท่านอาจารย์มาไม่ถึงไม่มาไม่ก็เลยมาไม่ถึงค่ะาอาจารย์แต่แต่ลม ลมมาแต่มันยังแบบปลายหางค่ะถ้าอาย์ยุการจากเมืองยู่การจากนิวยอร์กที่ที่นี่หรอเมืองนิวยอร์กหนูก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าประมาณห้าชั่วโมงได้มั้งคะในการรในการขับขึ้นไปทางเหนใช่ไหมขึ้นไปทางไหนอ่าเงยหนูา็ไ่ทางนแครกแแถวน้ำตกไนแคร์เปล่าแวไม่ค่ะหนูใต้ลงมาไม่เิดกับภูมิแดนของแคนาดา ไม่แต่ของหนูแบบมันคนละมันมันคนละทางกันค่ะคนละทางคนละเส้นทางกันค่ะของหนูอยู่ใกล้มอนทรีออลค่ะท่าอาจารย์ <Montreal. S 2> แล้วก็ค่ะหนูตั้งเอ่อแดนเออ่แดนภุมแดนนะคะที่ด่านนะคะหนูไปจากด่านแคนาดาแค่ยี่สิห้านาทีเองค่ะมีาาการขับรถค่ะแต่ทั้งหนูใกล้ทางมอนทรีออลค่ะท่าอาจารย์ค่ะ แล้หนูโดนห่างๆไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ลมไม่แรงค่ะท่านอาจารย์ก็โอเคค่ะวันนี้ <Okay. S 2> ก็ไม่ดูค่ะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดก็ไม่ได้ไปประชุมแค่นั้นเองก็ตามนี้ตามหน้าที่ก็แล้วแต่แล้วเสร็จ <Okay. S 2> แล้วเดวิดเขาก็กลัไปก็ฝากเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์อะ่รก็บอร์ดชองเต้เหมือนเดิมอขอบคุณมากเหมือนเดิมนะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ปอย่างสูงค่ะทานอาจารย์่าุณหมอโรตาคุณหมอลูกตาคุณแม่ขอบนักศึกษาขอบอาจารย์ขอบอาจารย์เป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะไม่ทุกบ้าะยังมีบ้างเสงสติปัญญาไม่ทันนี่ ยังอยากอยกู่นะ่อพร อ, อาจารย์ต้องไม่อยากว่าตอนนี้พอแนละ้วอะไรก็ได้ยินดีตามไม่ตามเกิดดีที่สุดสันโดดคำว่าสันโดดก็แปลว่าเราพอนะมีมากก็ได้ไม่น่าก็ได้ใจจะสบายอ่า รางกายมันไม่เดือดร้อนะมันมีนามันได้กินมากได้กินน้อยมันก็มันไม่รู้สึกมันไม่มีความรู้สึกในในตัวของมันเองตอนนี้ก็กลับมาอดอาหารแล้วคะ่ะอาจารย์ <c oughs> ดอดแบบวันมื อ, อ, ม อ, อเลยว่าอดไหไม่กินเลยหลังบ่ายโมงไม่ไม่กินอ๋อมันเป็นเส้นพ่อหงนี่แหละข้อหค่ะอาจารย์กลับมาทํา ต, ตอนนี้กลับมาทํามาเข้มข้นค่ะ อืมทำไมน้ำหนักมันเริ่มขึ้นมากขึ้นไปเนระื่ก็มีขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันกินเหมือนกับอยากกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ม, มันก็คงไม่ก้าวหน้าก็ก็เลยแบบถ้าถ้าเราละตรงนี้ได้ก็ก็น่าจะค่ะอช่ต้องควบคุมความอยากนะกินพอสมควรกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกิน เข้าใจคว่าไงบ้างก็ตั้งแต่ฟังฟังเรื่องบารมีสิทธิ์ี่พระอาจารย์จำแนกออกมาอืมพรามันเป็นทางเครื่องมือกระบวนการก็เข้าใจมากขึ้นค่ะอืมเพราะเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทำได้ดีขึ้นค่ะอืมเพราะหนูก็รู้สึกว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องตัดการเกิดนะคะใช่ค่ะ มันต้องสร้างบารมีตั้งแต่เมตตาขึ้นไปจนถึงปัญญาบารมี6ข้อด้วยกันอาศัยใช้สัจจะอธิษฐานวิริยะกับขันติเป็นตัวผักดันซึ่งซึ่งหนูว่าตรงนี้ไม่ไม่มีใครที่จะสอนได้ละเอียดอย่างที่ป้าจานสอนนะคะอพอที่สอนมาก็จะบอกบารมี10นะต้องทำให้ได้แล้วก็ถ้าจะบรรลุธรรมก็ต้องเป็นบารมี10ให้ครบอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครมาจะมาให้ฟังว่า มันต้องมีตัวนี้นะแล้วไปต่อตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันจะไม่รู้หรอกถ้าปฏิบัติมันจะเห็นทำเหล่านี้อยู่ในใจของเราทุกคนคหนูก็ได้หนูก็ได้ยินจางธรรมานุาาสติเนี่ยที่ที่อยู่ในสติประธานสีก็คือพวกบาลามีสิบมากแปดอะไรพวนี้มันอยู่ในใจของเราเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้หันก็มาดูในใจเรา ใ่เราถูกกิเล็ดเราให้ไปมองข้างนอกไปหารูปเสียงกินรลดเห็นแต่ลาบยศสารเสรยกันทั้งนั้นทุกคนในโลกนี้ใช่ไหมหาแต่ลาบหาแต่ยศหาแต่สารเสริญหาแต่รูปเสียงกินรลดมาเสกมันไม่เห็นของวิเศษที่มีในตัวของเราเลย อ, อต้องอาศัยธรรมะคํสาสอนพระเจ้าเป็นเหมือนกระจกกระจกสะท้อนให้เรากลับเข้ามามองข้างในในใจเรา เรามีคุณธรรมเหล่านี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็รีบสรา้างขึ้นมานะมีเมตตาหรือยังสัพเพสัตตาตั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เลือกเลือกเมตตานะเมตตากับทุกคนทุกสัตว์เลยแล้วก็ทานนะให้ทานเนเสียสละแบ่งปันไหมหรือยังโหงอยู่ยังโลภอยู่ศรษีไม่ไม่ไปทําล้านใครไม่มเบียดเบียนใคร ให้ขมาไปปฏิบัติบิวิเวกบ้บบกางละรูปละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสถือสิ่งแต่ปฏิบัติทำจลันสตินั่งสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขาพอ ไ, ได้อุเบกขาก็ไปใช้ปัญญาไปไปศึกษาปัญญาดูว่าอะไรเป็นตัวทําให้เราทุกข์ก็จะเห็นว่าความอยากเป็นตัวทําให้เราทุกข์เราก็ใช้อุเบกขาหยุดมันได้อืม ถ้าไม่ไมีอุบเบกขาก็หยุดมันไม่ได้ตอนนี้เรารู้แต่บางทีเวลาทุกข์ใจเราเรายังหยุดความอยากไม่ได้เมื่อเราอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วทำมาใจเราทุกข์นี่เราหยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีอุบเบกขาถ้ามีอุบเบกขาแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะมันจะอยากเพราะอุบเบกขาก็เข้ามาหยุดมังเลยนะ ก็ก็มีมีช่วงที่ฟังธรรมะหน้าบนเขาด้วยอะค่ะตอนที่ดูบนเขาก็บงเอ่อจะมีหชั่วโมงหนูจะเปิดธรรมะฟังก็รีลันธรรมะบนเขาของพระอาจารย์ฟังอะค่ะอือันหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าอะไรนะท่านท่านคุยกับโยมที่ไปไปฟังธรรมอ่ะท่านบอกเนี่ยความอ้วนก็เป็นกิเลสนะ หนูฟังกั้นหนูก็โอ้ยังขำไม่ได้คราะนั้นความอ้วนก็เป็นกิเลสนะเพราะว่าความอยากนั่นไงอยากกินกินจนวั่นกินเลยเห็นเลยพลก็เป็นกิเลสใช่กินเพื่ออยู่ไหมถ้ากินเพื่ออยู่ก็เป็นธรรมราะว่าชาปนฐานา่าน้งนังต้องกินข้ากันอยู่รถ้ากินโดยพอประมาณแต่เรากินกันจนเกินประมาณนะคะอืมกินด้วยความอยากถ้าอยาก้วกิีช้างเมื่อไม่พอไม่อิ่ม ถ้ากินด้วยเห็นได้วยผลเนี่บางทีแค่กินแค่ไม่กี่คำก็ไม่อยากกินแล้วมันพอมันหายหิวแล้วมันก็มันก็หยุดแล้วค่ะแล้วที่บนเขาก็อากาศดีค่ะพอลงมาข้างล่างนี่ร้อนมากเลยค่ะ อ, อยู่บนเขาเช้าต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอ ะ, ต, ยอะตอนเช้าเมื่อเ น, นี่ยอากาศกําลังเย็นสบายนั่งสมาธิได้สบายเลยค่ะอืมเนี่ยไม่ต้องใช้พัดลมหรืออะไรเลยค่ะแต่กลับมาบ้านนี่ร้อนมาก ว่ามีแต่ป่าคอนกีตไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ของอมความนอนไว้แล้วก็มีเครื่องจัดผลิตความนอนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยบถยนต์ต่างๆโอเคมีอะไรไหมไม่ค่ะไม่มีเราค่ะอาจารย์เพราะว่ามีตอนนี้เพย์เยังไงบ้างมีแฟนเพยเพิ่มขึ้นหรือยังมีเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเพิ่มขึ้นเลยนะค่ะอเคจะมีกําลังใจนะ ค่ะ ก, ก็ ก, ก็ยังทำโพสอยู่เกือบทุกวันค่ะอาจารย์โอเคนีคน่คงคงจะได้ประโยชน์บ้างนะคะบางคนเนี่ยมีภาพให้ดูมีแยกแยะเป็นข้อๆดูแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นหวังว่าการรายงานนามิทุกคนจะได้ประโยชน์อนเราไปคนนั่ไปคนวาภาพต่างต่างเองเลวาดเาเขามีรูปให้ค่ะหนูว่า ทำรูปไปทีอะไรใช่ใช่ค่ะพันจัแต่ว่าจะจดจะดีไซน์ว่าจะทำเป็นหมวดหมู่ยังไงจะเป็นแบบไหนโอเคนี่ทำไปการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะโอเคท่านนี้ก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่สันฟานนี่ที่ไหน อ๋อ oh, อยู่ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะอ๋อ oh, อยู่นิวคาสเซิลเจ้าค่ะนิวคาสเซิลอังกฤษนะอเมริกาเป็นอีกรัดหนึ่งค่ะ <New S 2> oh, นิวเอร์นิวคาสเซิลเห็นสามีบอกบ้านคุณแม่ค่ะอืมออกจากแคลิฟอร์เนียมาประมาณ4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงว้ยดีกว่าอะไรนะถ้าไม่มี่เมือนตะกอนเนื้อหนูอาจจะพูดไม่ถูกเลยคะ่ะนิวคาสเซิล เห็นแฟนว่างั้นค่ะนิวเม็กซิโกเปล่าแต่นั้นไม่ค่ะก็อยู่อเมริกาค่ะนั่นแหละกคำว่าชื่อว่านิวเม็กซิโกอ่ออาจจะพูดผิดก็ได้ค่ะถ้าะไม่อยู่ใหม่ก็เลยยังไม่เข้าใจสีสี่ช่วมงจากซานฟารานไปเลยค่ะบ้านสามีอยู่ซานฟารานซิสโกค่ะเราไปบ้านคุณแม่นี่ขับรถสีชั่วโมงไปนะเจ้าค่ะ อ่ามามาช่วยเหลือคุณแม่แก่แล้วก็เลยดูแลคุณแม่ช่วยกันค่ะไ่ใช่ในบราดา้าในวาด้าบา้ไม่ใช่นะเห็นนิคแคเสเซอร์เห็นแฟนบอกว่าเขตชื่อที่แม่อยู่นะคะชื่อเมืองถ้าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อร้านใช่ค่ะง่มยง่าตอนอากาศดีไหมที่ที่เมืองนี้ก็มีอากาศหนาวค่ะแต่ไม่มีหิมะดีมากค่ะมีแต่ภูเขาเยอะ อืแล้วก็บ้านคนก็อยู่แบบเป็นคล้ายเขาใหญ่นะ่ะเจ้าค่ะอ่าอยู่อา่อางใหญ่ๆไปไม่ได้เป็นไม่ ไ, ไม่ได้เป็นหมู่บ้านค่ะเป็นพื้นที่บ้านจะหลังห่างกันก็อยู่แบบไม่ได้เห็นผู้คนเลยค่ะแต่ก็คงมีเมืองเล็กๆที่เราไปซื้อของได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ อ, ออกไ ป, ปไ<ง>ซื้อของไม่ไกลเจ้าค่ะ ก็ได้ดูแลคุณแม่พิจารณาร่างกายคุณแม่ไปเจ้าค่ะอืมก็ช่วยเหลือทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเพราะคุณแม่เขาเดินได้นิดเดียวแล้วเจ้าค่ะแปดสิบสามเจ้าค่ะออน่าจะสัญญาณไม่ดีมั้งคะพายจันได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินดีไม่มีปัญหามีอะไรไหมล่ะอ่าตอนนี้นิ่งไวแล่ะ ภาหนึ่งไปเลยแสดอว่าธัญญาณหมดนะมั้งอายไปแล้วครับพระทาร่าโอเคเงินไปก่อนนะถ้าอย่างไรถ้าอยากจะกลับเข้ามาใหม่ก็วาง่ า, าคุณแนนต่อคุณแนนอุดรค่ะน้องก า, ากนลานักสกแกะรอแจารรูปนี้มีของแถมป่ะคะคุณบัวกลับมาอยากจะพูดต่อไหมพูดต่อได้แล้วไม่พูดนล พยายามน้าอยากจะพูดหรือเปล่าพูดเอาตอนเกิดปุ่มเลยตอนว่ามาเป็น<ม>ยานไม่ดีอ่าก็ดูแลคุณแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นแม่คนหนึ่งนะเจ้าคะ่ะเออดีมันจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะได้ไ้่รำเกียดเขาเจ้าคะ่ะ ก็ทําด้วยด้วยใจที่รู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขไม่คิดอะไรเจ้าค่ะอืมทำด้วยความเมตตาเจ้าค่ะถึงแม้ไม่ใช่พ่อแม่เราเขาก็เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทำไปเจ้าค่ะพ่อแม่ตัวเองก็เสียไปแล้วก็เขาเป็น อ, อแม่สามีสามีก็ช่วยเหลือด้วยกันเจ้าค่ะอื ม, อมก็แฮปปี<า>้ดีไหมกานี้แฮปปี้ดีไหมอยู่ที่นั่นแฮปปี้ไหม เจ้าค่ะใช้ธรรมะก็ถือว่าอยู่กับตัวเองไม่มีผู้คนก็สงบดีเจ้าค่ะอืมเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะต่างกันในสถานที่แต่ก็อยู่ในบ้านเหมือนกันเจ้าค่ะต่างสถานที่แล้วก็รู้สึกว่ามันเงียบกว่าอยู่เมืองไทยแล้วค่ะเพราะไม่ได้คุยกับใครอืมนี่อะฮะก็พยายามนั่งสมาธิสวดมวนต์ไหว้พระ สัญญาณหายแล้วโอเคยังเราทำนี้ก่อนนะเมื่อกี้ผ่านคุณนายไปแล้วคุณนายเมื่อกีพูดเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะมาพูดใหม่เสร็จแล้วนะะจะค่ะไม่มีคําถามจ้ะค่ะอาจโอเคคุณนิสาต่ อ, อคุณนิสามื่ก่อนได้เจอตัวจริงนะล้วน้อมกล่าวนมัสการค่ะอขาจารย์อก็ <G> <G> ดีใจค่ะที่ได้เจอค่ะอาจารย์สักทีค่ะได้เจอแฟนด้วยครั้งแรกค่ะอาจารย์ค่ะเขาก็เขาก็ฟังพระอาจารย์ตลอดนะคะพระอาจารย์อก็ก็พยายามจะโน้มนำให้เขาเข้ามาค่ะคือจริงๆเขาก็รู้อะค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ยังแบบมันต้องใช้เวลานิดนึงที่แบบจะปฏิบัติจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาเป็คนที่ไหนคนที่กรุงเทพหรือเปล่าเขาเป็นคนภูเก็ตค่ะ เอาผู้เก่งนะเขาจะกลับไปเยี่ยมบ้านเขาเถไปหรือเปล่ายังไม่ได้ไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวว่ามีแผนว่าจะไปค่ะแต่ยังไม่ได้ไปเลยค่ะพระอาจารย์อืมีมีหลายที่ที่จะไปค่ะพระอาจารย์แต่พอดีลูกก็ติดดูแลคุณแม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ทําหน้าที่ลูกที่ดีไปความกตัญญูกตเวทีค่ะพระอาจารย์ก็ดูแลคุณแม่ก็ได้ปฏิบัติไปด้วยค่ะพระอาจารย์ ฝึกจิตฝึกใจตัวเองด้วยค่ะพอาจารย์ก็ดีค่ะฝึกโมเมค้าไหมเยอะๆค่ะพระอาจารย์อาจจะมีบ้างที่แบบผิดศีลห้าพระอาจารย์มีโกหกนิดบางทีก็นึกถึงคําผู้พระอาจารย์โอ้เราผิดศีลบางทีต้องนิดนึงค่ะพระอาจารย์ต้องหลอกคุณแม่ค่ะมันผิดมากไหมคะพระอาจารย์ก็ถ้าไม่มีเจตนาที่จะทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเงิคงไม่ผิดมาก อ๋อไม่อะค่ะแบบทําด้วยความหวังดีค่ะพอดีคุณแม่แบบดื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องแกงหลอกว่าคุณหมอสั่งอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่อะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ทําไม่ไม่ไม่ไม่ผิดเลยก็จะดีกว่าแต่ถ้าผิดเจ้าก็ไม่ไม่นับอะไรเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายค่ะก็พยายามจะพยายามจะไม่โกหกอะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆค่ะอาจารย์ มันไม่ได้ถึงขนาดโกหกเดี๋ยวว่าแก้แค่หลอกเขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางทีเขาไม่ไม่แบบไม่ยอมทํานุ่นทําไม่ยอมทาะแบบไม่ยอมทานอ่ะไม่ยอมทานยายอะไรเงี้ยพระอาจารย์อืมก็แล้วแต่มันก็ได้อย่างเสียอยาเนาะเขากินยาแต่เราก็ได้ยาพิษใส่ใส่ใจเราอ๋อค่ะพระอาจารย์แต่คือเขาเขาแบบเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขาจะแบบ เขาจะแบบจำไม่ได้เขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องแบบแก้งแบบหลอกๆเขานิดนึงนะคะพระอาจารย์โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังพระอาจารย์ค่ะ <Okay. S 1> ก็ได้ความรู้เยอะแยะค่ะพระอาจารย์ได้เข้ามาก็คือได้เตือนสติหลายๆเรื่องค่ะพระอาจารย์ทำให้ช่วยช่วยทําให้จิตใจเรา รอบคอมากขึ้นนะค่ะช่วยค่ะช่วยมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ทําให้มีสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ไม่งั้นมันก็จะเพลินไปกับกิเลส ท, ที่เข้ามาตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์อโอเคนะค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะอคุณจุ๊บต่อจุ๊บโอเบยหาไปเหมือนกันนะเข้ามาไม่ได้เลยเขาทิ้งแล้วเข้ามาไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์นมัสการอ่า ม, มีอะไรไหมวันนี้อันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพรอาจารย์แตอนนี้กลับถึงโกเบแล้วยังกลับถึงโกเบลแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อล้วเลวะก็คราวที่แล้วก็มีถามพรอาจารย์ไปที่ ท, ที่ที่ว่าเอาเขียนเป็นคําถามไว้นะคะว่าเราจะเพียรให้กุศลมันมันคงเดิมไม่ไม่หายไปได้ยังไงเพราะหนูสังเกตคือถ้าสมมติเรากลับไทยไปแล้วไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยกลับมา จิตมันจะตั้งมากแล้วเป็นอุบอบเบกขามันจะมันจะแบบไม่อยากคือมันมันจะแบบมันจะเฉยอ่ะคะ่ะแล้วก็ <S <S มไม่ไม่อยากจะคือกลับมาเนี่ยคนเพื่อนๆหนูอะเขาก็จะส่งไลน์มานี่ยเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันไหมเดี๋ยวไปอย่างนี้กันนู้นกันนั้คืออาทิตย์นี้ที่ผ่านมาหนูปฏิษษปเสธไปหลายคนเลยคะ่ะแต่ว่า หนูกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งที่หนูกลับมาญี่ปุ่นก็คือถ้ากลับมาแล้วอ่ะมันมันจะเริ่มแบบเริ่มไม่นิ่งเหมือนเดิมอะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องพยายามปฏิบัติรักษาไว้สิค่ะทั้งรักษาเดี๋ยวมันก็มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยก็ต้องก็ต้องมือนกับเวลาเราเอาของแช่อยู่ในตัวเย็นออกมานอกตู้ถ้าปล่อยเที่ยงนานๆเดี๋ยวมันก็หายเย็นเนี่ยใชค่ะ เราามาแป๊บหนึ่งพอถึงเวลาก็เากลับเข้าไปใหม่มันจะได้เย็นอยู่เงยค่ะเงี้ยเราก็ต้องกลับมาแล้วเราก็ต้องเข้าสมาธิอยู่เร ย, เ, ยเหมือนตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยค่ะก็ก็นี้ทุกวันก็ทุกวันนี้ก็เพียนอยู่คะ่ะพระอาจารย์แต่บางทีมันก็เพียนไปสุก็ก็เอ้ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่าเรามีความอยากเปล่าอยากก็จบเลยนะเนี่ย อ, อยากไม่เป็นไรหรอกอยากอยากทาำทำนี้เขเรียกว่าเป็นฉันทะฉันทะ เป็นอธิบายค่ะความยินดีในธรรมในฉันท่า ค, ความอยากในธรรมนี่เรียกว่าฉันท่าไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นมรรคพราะถ้าไม่มีความอยากในธรรมมันก็ไม่ปฏิบัติเนลยจริงด้วยนะจ๊ะค่ะอืกิเลสมันเราไอะไรนะมันหลอกให้เราเชี่อเป็นกิเลสเราจะได้ไม่ทำํำใช่ไหมกิเลสมันฉลาดนะมันชอบย้อนลอยเราเลยใช่ค่ะมันฉลาดมากจริงๆอืง อะเป็นมากนะความอยากมีสองอย่างความอยากที่เป็นกิเลสกับความอยากที่ที่เป็นมากเป็นธรรมถ้าอยากทำบุญทำทานอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากไปบวชเนี่ยเป็นมากตงนั้นอ่ะเป็นเป็นธรรมะเป็นความอยากที่ดีเพราะนำไปสู่การดับความทุกข์ต่างๆแต่ความอยากที่อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีแฟนที่รักเราอย่างเงี้ยอันนี้แหละเป็นจะนำไปสู่ความทุกข์ พอเวลามันอยากเราไม่ได้ตามที่ใจอยากใจก็จะเสียใจใช่ไนม <c oughs> เราต้องใจแยกแยะนะความอยากมันมีสออยากดีก็มีอยากไม่ดีก็มีอยากไม่ดีก็คือความอยากเจริญในาลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยอยากแบบนี้ไม่ดีเวาาลาลาภยศสรรเสริญสุขมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราต่างมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ แต่ทันทำนี่เราได้มากผลนิพานนี่มันยิ่งได้มากนี่แต่ละขั้นความสุขก็มากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนในทสุดความทุกข์ก็หมดไปเลยพอถึงนิพานปั๊บอยากแบบนี้ดีอยากเพราะมันจะนำไปสู่การดับทุกข์ที่เรียกว่เป็นความอยากที่ดีควาอยากที่นำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่ดีเป็นความอยากไม่ดี อยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนนั้นเขารักเราชอบเราทุกเย่อโยกย่อเราอยากไปเที่ยวอยากไปกินไม่ปดื่มไปพวกนี้เป็นของไม่ดีนะอยากแบบนี้ไม่ดีนะไม่ต้องกลัวนะนั่งไปเลยนะถ้าอยากแล้วมันไม่ได้มันอาจจะทําให้เราทุกข์ได้เหมือนกันนะอยากจะทําแล้วมันไม่มีเวลาทำอย่างนี้ก็ต้องลดต้องดูความเเเปปป็็็นนนเป็นไปได้ อากนั่งสมาธิวันละหลายหลยายชั่วโมองแต่สิ่งแวดล้อมเวลานไม่เ อ, อื้อเราก็ต้องลดวความอยากมงให้มันอยู่ในระดับที่เราทําได้จะจ ะ, จ, ะจำเอาไปปฏิบาาัติค่ไหะถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักประมาณความอยากทางทํามก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้เหมือนกันอืมเราต้องรู้จักกาลังอย่างที่พระเจ้าบอกว่า ถ้าเข่งกันไปมันก็สายพินเนี่ยถ้าขึงมันให้เต็มกันไปมันก็ขาดเนี่ยถ้าถ้าขึงให้มันหย่อนกันไปก็ดีดไม่ได้เสียงไม่ได้เรื่องถ้าขี้เกียจโอ้ไม่อยากจะทำเลยทำบ้างทำน้อยๆอย่างเงี้ยทั้ที่ทำได้มากกว่านี้แต่ไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าหย่อนยานการปฏิบัติหย่อนยานต้องทำเต็มที่ตามกำลังตามเวลาตามโอกาสที่เราสามารถทาได้ แต่ถ้าอยากจะทําเกินเวลาเกินโอกาสมันก็จะทําให้หรเราเคียนได้เพราะไม่มีมันทําไม่ได้นะทาสายกลางให้เหมาะสมกับภาวะเหตุการณ์สถานที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันเวลาไปปฏิบัติธรรมในในเมืองไทยนี่มันมีเวลาให้ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยพอกลับไปอยู่บ้านต้องดูแลลูกต้องดูแลสามี เวลามันก็ต้องแบ่งไปเป็นธรรมดาใช่ไหมจะให้เหมือนกันไม่ได้หรอกแต่มันผลนิรา จ, จะต้องเสียบลงไปบ้างใช่ไหมวันที่เคยได้มันก็ต้องเสียมลงไปตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจนะเข้าใจเจค่ะอาจารย์กลัโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคเดินไปที่คุณดิษยาต่อ น้ำมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่ไมไถามค่ะพระอาจารย์ไ ม, ไม่ถามเลยค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะคุณแม่ไม่ได้กล้ามาเลยวันนี้อ๋อคุณแม่มไปถามคุณแม่แล้วค่ะแม่บอกว่าเดี๋ยวรอรอให้เขาเรียกค่ะมันยังเยอะอยู่เวลาจะไม่พออ๋อค่ ะ, คะโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่มีอะไรก็เราจะเรียกคุณแม่มาคุยตอนนี้ สักครู่ค่ะผ้าจย์ค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่มาแล้วค่ะะ้าจาย์ไม่แล้วค่ะนวัตกรรค่ะะอาจาย์ยมโยมเราหอีกห้องหนึ่งค่ะอา่อาโยมนั่งฟังนะคะจันแล้วก็มาย้อนดูตัวเอง อำเภอที่โยมอยู่นะคะอาจารย์เป็นอำเภอเล็กๆทั้งอำเภอมีร้านอาหารไทยพุทธแค่ร้านเดียวค่ะอาจารย์แล้วก็โยมเคยขับรถจับแว้งนะคะไปเพื่อไปกินซิสเลอร์ที่หาดใหญ่สี่ชั่วโมงค่ะอาจารย์เพื่อจะไปกินอาหารเรื่องการกินนี่คือแบบมันเป็นตัวตัวที่เป็นกิเลสของโยมค่ะอาจารย์แต่ณวันนี้ก็มีอะไรก็ได้หมดค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรกินก็กินทม่มีข้าวโพดน้าปลาก็ได้ ไข่ต้มน้ำปลาก็ได้อยู่ค่ะอกินเพื่อดับความหิวทั้งคือตอนค่ะใช่ค่ะเพราะเพราะอิ่มก็จบแต่ตอนความรู้สึกอยากกินมันมันมีนะคะอาจารย์บางทีอยากจะไปออกไปโกโลกเพราะถ้าจะกินอาหารต้องไปสูงไหนโกโลกที่เดียวค่ะอาจารย์ตูงไหนโกโลกก็สิบหกกิโลค่ะจะไปที่เกียรต์ไปเอากินที่มีก็แล้วกันค่ะอาจารย์ประมาณนั้นค่ะยินดีตามมีตามเกิดเนี่ยดีสุดแสนดีมันก็ขำตัวเองนะคะว่า จากเมื่อก่อนน้องขับรถไปเพื่อไปหาดใหญ่นะคะเพื่อไปหาหาอาหารที่จัวงอยากจะกินอะค่ะอาจารย์อืมแล้วก็ต้องไปกโกลกค่ะสง่ายโกลกจะมีอาหารให้เยอะแต่ว่าที่แว่งนี่ก็คือทั้งอำเภอโยมสินจะเป็นคนมุสลิมใช่ไหมคะแล้วก็โรงเรียนที่โยมสอนอยู่เป็นโรงเรียนในโรงเรียนเล็กๆค่ะอาจารย์เป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนโยมแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะอาจารย์ ยมจะขับรถไปทํางานข้างหน้าจะมีรอปรพสามคันข้างหลังสามคันค่ะอาจารย์แล้วก็ยมอยู่ตรงกลางค่ะเขาก็ลอปพอแบบนี้ค่ะยมแล้วก็มันเป็นความรู้สึกว่าที่เราอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะคะอาจารย์กลัวแต่มันเป็นความคุ้นชินแล้วก็แรกๆ ก, ก็เครียดนะคะอาจารย์เครียดแต่พอมาเรื่อยๆเืๆ่อยๆก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยค่ะอาจารย์ก็เลยอยู่ยมไม่เคยย้ายเลยนะคะอยู่ที่ทํางานที่เดียว สามสิบเจดปีค่ะอาจาร ย, าย์เพอย่าประมาทกันเป็นตัวรับกับเพรียค่ะแต่ว่าก็คือพอมานะตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคะ่ะเราจะหลบอะไรยังไงก็ไม่ได้ต่อให้เราหลบยังไงเราก็หลบไม่ได้ถ้ามันจะเกิดค่ะอาจารย์ใช่หรือยังไงมันก็ต้องตายทุกวันนึงใช่ค่ะใช่ค่ะ <S <S แล้วก็อำเภอโยมนี้พระไม่บินทบาตนะคะอาจารย์ เพราะว่าพระเคยโดนระเบิดมาสองรอบแล้วก็มีครั้งหนึ่งโยมใส่บาดหกคนตรงนั้นมีทั้งหมดสิบอ็ดคนทั้งพระทั้งทั้งโยมแล้วก็ตํารวจ ร, วปรอปภแล้วก็อยู่ใกล้ถังขยะอาจารย์แต่พอโยมกลับมาไปทํางานเขาบอกว่าถังขยะใบนั้นมีระเบิดห้าสิบกิโลอยู่ในนั้นจุดชนวนแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ค่ะอาจารย์ก็เลยจากนั้นก็จะไม่มีการใส่บาดเลยค่ะต้องไปที่วัดหรือไ่ก็ใส่บาด ไปใส่บาตที่วัดแล้วก็ที่ร้านค้าจะมีตะกร้าไว้วางไว้ให้คนใส่บาทค่ะอาจารย์อืมแล้วก็จะใช้วิธีนี้กันเพราะฉะนั้นคือที่นี่เราก็จะอยู่กันแบบ อ, อแบบระวังตัวแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่ามันจะไม่กลายเป็นความเครียดแบบเมื่อก่อนดอไม่ประมาทอยู่แบบประมาทค่ ะ, ะ, คะที่อาจารย์บอกว่าถ้าระเบิดแล้วอยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีระเบิดหลังจากระเบิดแล้วมันจะเป็นการภาวะที่ปลอดภัยแล้วถ้ามันนิ่งหายไปนานนั่นเราต้องระวังละค่ะอาจารย์แบบนั้นอืม นี่จะเป็นแบบนั้นค่ะอาจารย์แล้วก็เราก็อยู่กันมายมก็ไม่เคยไม่เคยไปไหนคะ่ะอยู่ที่นี่ออกไปก็แค่เรียนหนังสือแล้วก็กลับมาทํางานที่อําเภอแหวงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์อำเภอเล็กๆมีวัดสามวัดเองค่ะทั้งอําเภออืม mm hmm. แล้วเรื่องอาหารการกินก็ตอนนี้ก็คืออะไรก็ได้ค่ะอาจารย์อยู่สบายดีค่ะอืม mm hmm. ค่ะแล้วก็อย่างของอาจารย์ที่ฟังมาโย ม, มาก็แบบโยมน้อมนํามาใช้กับตัวเองนะคะอาจารย์ น้อนํามาใช้จากคนใจร้อนจากคนที่อารมณ์ร้อนอ่โมโหง่ายก็ตอนนี้ก็คือเขาพูดอะไรก็คือไม่ไม่ต้องอธิบายก็ได้พ อ, อธิบายไปก็เท่านั้นเองก็อืมแล้วไปประมาณนั้นค่ะอาจารย์อืมก็ไม่อยากจะฟังแล้วก็ไม่อยากจะพูดมากกว่าคอยเขาพูดไปประมาณนั้นคะ่ะไม่ชี้แจงคะ่ะเฉยๆค่ะแล้วก็อยากจะรู้ขเขาก็ถามเองนะฮะไม่มชี้แจงใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือแบบ กลายเป็นว่าแล้วก็การแต่งตัวก็คือพออาจารย์บอกอาจารย์บอกอยู่อยู่อเมริกาอาจารย์ซื้อกางเกงมือสองใส่โยมก็ไปเอาเสื้อผ้าเก่าๆที่โยมทํางานเอามาใส่แล้วก็อืเสื้อผ้าก็ใส่ไปของเดิมๆมั้งนะคะอาจารย์ผมโยมก็ไม่ตัดเพราะว่าถ้าตัดต้องออกไปโกโลกโยมก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยสระผมเสร็จก็ผูกแล้วก็ปล่อยมันยาวไปรื่นๆค่ะแต่งก็ได้เาการกลายมาทีก่การเดี๋ยวมันก็แหวง <laughs> แหวงก็แหว่งไปเลย S <S <S ทีเจ้าเบรเกอร์แล้วก็ตัดผมเองอะเสียพอไปตัดที่ร้านมันเสียรายตังค์ตง <S <S ตัดกันเองตัดไปตามมีตามเกิดคะเคยมีคนถามโยมว่าไว้ผมทรงนี้ไม่เบื่อเลยโยมไม่สงสารคนดูถ้าเกิดไปตัดแล้วยมจะเหมือนผู้ชายมากเลยค่ะอาจารย์โ<ม><ม>ยมก็เออเอาไว้แบบนี้แนละ้วการปล่อยมันไปค่ะอาจารย์<ม><ม>ก็อยู่คือมันมันง่ายนะคะสําหรับโยมคือสระผมเสร็จก็รวบผูกไว้เลยค่ะอาจารย์ปล่อยมันไป ปีหนึ่งก็ตัดผมประมาณสักครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองครับพอเ<ง>ลิกกวนไปเลยเนีย่ยถามไปค่อยตัดผมก็ได้กวนนี่ก็คือแบบโยมกลัวจะอุจจารคนอื่นที่ดูโยมกันโอ้ยเร<ล>าเราเงโย ม, มค่ะคนอื่นก็ไม่สนใจเราหรอกเราจะหน้าตายยังไงโหร้อนเขไม่หัวลน้นเขาไม่สนใจเราเขาสนใจตัวเขาเองมากกว่าคช่ แต่คนที่นี่เขาสนใจนะคะอาจารย์ขนาดโยมไม่ไปวัดเขายังสนใจโยมเลยทําไมใคชอบไปวัดไกลๆทําวัดใกล้บ้านไม่ไปถ้าตายแล้วจะไปที่ไหนเขาว่ายโยมอย่างนี้นะคะอาจารย์มันเล็กๆค่ะอาจารย์คนไทยพุทธนิดเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ภาษามาลายูถิ่นกันค่ะอาจารย์เราก็ใช้ภาษามลายูกันค่ะอาจารย์อย่าโยมอาจารย์ลองไปตัดไม่มีแล้วค่ะอาจารย์โยมน้อมนําคําสอนของอาจารย์มาใช้อยู่ค่ะอาจารย์ แล้วก็ชีวิตมันก็ร่มเย็นดีค่ะอาจารย์ง่ายค่ะอขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่าถ้าเกอ่ามาิการมาริกาต่อกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้อปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ถามว่าการที่ได้เข้ามาในห้องนี้มันทําให้เกิดพลังนะคะพระอาจารย์ พลังของความคิดที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆถึงแ ม, ม้นจะมานในอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็สอนว่าถ้าไม่มีทุกเราก็ไม่เกิดปัญญานะคะอาจารย์นี่เป็นเป็นสัจจะแความจริงเลยนะคะอาจารย์ก็ดังนั้นก็เมื่อเราได้ปฏิบัติ เราได้พบกับครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนเป็นสิ่งที่ดีมากอันนั้นลูกก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ดีที่สุดบางทางก็ยังหวังว่าจะคอยคอยหรือว่าคอยที่จะขึ้นเขาจีโอนแต่ว่าทำที่ในปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็ทำมันตรงนั้นแหะใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอาจิตน่งจีเชอบลอให้เราไปรอข้างหน้าไปไปมองข้างหน้า หรือว่าในปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติได้ใช่เจบบ้ า, าค่ะว่าจใช่ก็เลยบอกก็เลยก็บอกว่าเออเนาะจะจะเอาอย่างนั้นเลยก็คือเคยพูดกับคุณอาอุสาว่าพยายามทําให้ดีที่สุดทําตามกําลังตามกําลังเวลาตามกําลังเหตุการณ์ที่ที่ให้ที่เกิดปัจจุบันนี้ทําให้ดีที่สุดตามภาวะเหตุการณ์ใช่ใช่ค่ะว่บบาอาจารย์ก็ดังนั้นก็ถ้าไม่มีความสุข เกิดขึ้นมาถึงแม้เป็นความสุขที่มันเล็กๆแต่ว่าเป็นความสุขที่มันมีความอิ่มเอิบอยู่ในใจไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกท้อกับการที่ที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้แต่ว่าถามว่าพอนึกถึงว่าไปวัดพอไปวัดจะไปวัดเราก็หาวัดที่มันที่มันถูกใจอะบางทีก็ไม่ใช่เพราะที่บ้านนี้ก็อยู่ใกล้วัดนะครับอาจารย์แต่ว่าเป็นวัด บ, บ้านก็คือเข้าไปถ้าจะไปฟังเทศคือเทศด้วยใบลานก็ไม่ได้ฟังเทศจากจากที่องค์ความรู้มันไม่ใช่องค์ความรู้ดังนั้นก็บางทีก็ไปได้อาศัยได้ว่ามาเข้าห้องสุง่มแล้วก็ฟังคำสอนของพระอาจารย์เล้วพระอาจารย์แล้วก็าาวโดยเฉพาะอยู่กับคุณพ่อพระอาจารย์บอกว่าให้เมตตาคุณพ่อมากๆคําพูดนี้ทําใหู้ก มีสติขึ้นมาเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตรงที่ว่าพอทําอะไรก็พระอาจารย์บอกว่าเออนะเมตตาให้เมตตาเยอะๆเมตตาเยอะๆแล้วพอว่าพอเมตตาตรงนี้มากขึ้นมาเท่าไหร่ก็จิตใจของเราก็อ่อนโยนลงมาเท่านั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติที่ที่เวลาพวกทําผิดถ้าเหมือนกับเป็นแต่ก่อนแล้วก็เออ เ็ก็มีบา้างนะพ่ะอาจารย์นะก็คือแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้ก็วางเฉยวางเฉยวางเฉยลงได้ยุติเจ้าั่ะอาจารย์มันร<ด>ู้ว่ามีคุณธรมโอเคทําต่อไปนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็พยา ย, ยามอยู่นะคะว่าเหมือนที่ พ, พูดกับพระอาจารย์นั่นแหลนะนั่ที่บอกว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่พอเรานอนเต็มอิ่มแล้วก็ได้ปฏิบัติ ก็อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามสิบนาทียี่สิบนาทีก็ทําให้ได้ทำให้ได้ตรงนั้นทาไม่ได้เจ้าค่ะพี่ห้านาทีก็ยังดีดีก็ไม่ทำเลยนะเจะ้าค่ะพ่ออาจารย์ก็ลูกก็พยายามอยู่ค่ะจะไม่ให้ทิ้งในสิ่งที่ปฏิบัติอาจจะปลุกมีข้อบกพร่องไปบ้างอะไรไปบ้างก็แต่ว่ามีสติอยู่ว่า เออวันนี้เราขาดละลัดสิข้อนั้นข้อนั้นเป็นเพราะอะไรทําไมถึงโรคขาดศินข้อนี้ mm hmm. เราไม่ไดบ้บอกตัวเองว่ามันไม่ได้เราไม่ได้เจตนาที่จะทําแต่บางทีแม้ก็จงใจเช่นเช่นคำว่าพวกพอเปิดประตูไว้ตอนเย็นเย็นเอายุงเข้ามาตัดพ่อบางทีก็ต้องตียุงอะไรประมาณนั้นจะเข้าไปจัดการทื่อจะเข้าไปจัดการโอเค ไปที่คุณชายานิดหน่อยต่ออันนี้ชื่อเต็มลลเลยเลยนี่ชายานิดหน่อยชื่อชื่อชื่อเต็มชื่อชายานิดค่ะแต่ว่าชื่อเล่นชื่อหน่อยค่ะก็นิดสาย<อ>ยาวไปเลยลตัวอาจารย์อ่าจําไม่ได้อะค่ ะ, อะตอนนั้นไปกราบพระอาจารย์พระอาจารย์ทักชายานิดดับยมระแบบอะไรนะอ่า มีมีคนหนึ่งชื่อชยานิษยมดะด้วยค่ะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ใช่ค่ะวันนั้นอาจารย์ทักหน่อยผิดค่ะก็เลยเป็นชยานิษยหน่อยค่ะกราบนะมาสักการอขออภัยนะคะเมื่อกี้ต้องไปจริงๆล่าสุดหน่อยไปฟังธรรมพระอาจารย์นักุติที่วันที่สามสิบเอ็ดธันวาค่ะ พอดีหน่อยยุ่งยุ่งรับน้องแมวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะก็ยังไม่ลงตัวแล้วก็ฟังพระอาจารย์ทางข้างนอกอยู่ตลอดค่ะก็มีเข้าไปรอบ้างแต่ว่าเข้าไม่ได้ก็เลยฟังข้างนอกแล้วก็นานๆจะเข้ามากราบพระอาจารทีค่ะพอดีอที่พระอาจารย์บอกให้หน่อยจเจริญสติอะค่ะอืม อย่างที่หน่อยบอกพระอาจารย์นะคะว่าพอเจริญสติพอมีสติปุ๊บอ่ามันผุดขึ้นตลอดเลยค่ะพระอาจารย์คือนึกถึงแต่ความตายตลอดเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคือวันหนึ่งอ่ะหน่อยนึกถึงความตายมากกว่าแบบน่าจะสามสิบสามสิบรอบได้ค่ะนึกถือมีเจริญ<ว>สติ<ว>ตอนไหนก็คือแบบเอ่อเห็นใครก็อย่างแมวอ่ะค่ะก็ ด้วยความที่รับมาเลี้ยงก็รักเขาอ่ะคะ่ะก็จะเห็นว่าสักวันหนึ่งเขาต้องตายไปจากหน่อยถูกต้องมออะไรมองเห็นคนเห็นจันท์เนี่ยต้องคิดถึงความตายของขทุกครั้งเลยใช่ค่ะเห็นคนอย่างสามีก็มองว่าสักวันหนึ่งเขาไม่จากเป็นก็จากตายก็คิดอย่างนี้เสมอะคะอ่ะพ่อแม่ก็เหมือนกันแต่ว่าคือหน่อยอะก็ยังไม่เจอบททดสอบอ่ะที่มันใหญ่ที่พระอาจารย์บอกอะค่ะว่า พอถ้าเจอบททดสอบใหญ่แล้วนายจะเป็นยังไงแต่นอยนึกถึงความตายตลอดนึกถึงว่ า, าวันหนึง่งไม่แน่ไหนอาจตายก่อนทุกคนหรือทุกคนคือแบบพอพอมีสติอะค่ะพระอาจารย์มันก็จะแบบนึกถึงความตายอยู่ตลอดเลยอะค่ะถ้ามันเจอของเจมันก็จะเฉยได้ในในนยก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรับได้แค่ไหนอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคือ <c oughs> อย่างใน ไหนวันนี้ไหนก็นั่งนั่งทบทวนที่พระอาจารย์บอกให้ไหน่อเจริญสติอ่ะคะ่ะอืมก็เลยอ๋อพระอาจารย์เหมือนกับเตือนสติให้เตือนสติตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายตายอยู่ดีไม่เกินร้อยยี่สิบประมาณนี้ค่ะไหนก็จะพุดขึ้นแต่อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่านั่งสมาธิกับอืมเหมือนได้น้อยลงอะค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องทําทั้งสองอย่างเลยพยายามนั่งให้มากขึ้น ถ้านั่งได้มากมันก็จะทําใจได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะปัญญาเป็นตัดบอกแล้วว่าเต็มตัวนะเต็มตัวแต่ผู้ที่จะเต็มตัวก็คือสมาธิช่วยเราเต็มตัวได้ก็ต้องสมาธิอแล้วเราเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี่ต้องเท่ากันเลยไหมคะพอาจารย์ก็แล้วแต่มาก้่าแล้วแต่ความเหมาะสมได้ทั้งสองอย่างถ้าชอบเดินมากก็เดินมากไปก่อนถ้าชอบนั่งมากก็นั่งมากไปก่อน ได้สองสองอย่างนะฮถ้าจะให้จิตสบตงบก็ต้องนั่งอย่างเดียวเดินนั่นจะไม่สงบเท่ากับการนั่งแต่ถ้า ย, ยังนั่งไม่ได้นานเดินได้มากกว่าก็เดินไปก่อนแต่ต้องเดินแบบมีสตินะเดินไปคิดถึงความตายแต่ละก้าวไปได้ซ้ายก็ตายขวาก็ตายค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเละค่ะพระอาจารย์ผุดผุดในใจขึ้นแบบเห็นทุกคนที่อยู่ในบ้านสักวันน ต้องตายไปจากหน่อยหรือหน่อยก็ต้องตายไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงทุกคนในห้องนี้ก็เหมือนกันอย่งก็ต้องตายกันทุกคนนะเจ้าค่ะหน่อก็นึกถึงแบบนึกถึงจนบาปปุล น, นึกถึงบาอาจารย์ด้วยค่ะหน่อยยังเอกคไม่มีใครไม่ตายหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายหน่อยละบางทีหน่ะก็ยังคิดอยู่เลยถนะ้าเป็นถึงครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อยก็เลยแบบ อ่าก็ไปเนแคเป็นความจริงเนอะก็อยากจะเว้นไว้สักคนนะคะเว้นได้ก็ดีเจ้าค่ะอยากให้เว้นไว้สักคนเว้นได้ก็ดีมันไม่มีข้อเว้ข้อยกเว้นเนี่ยพระเจ้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้าค่ะเดีนะก็ต้องแก่เจ็บปลายเป็นธรรมดาเจ้าค่ะก็ โอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วสัค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะกราบ <Okay. S 2> พระพคุณขอบพระคุณค่ะอย่าเลตายนะฝึกตายด้ไม่ออถึงตลอด okay. อค่ะโอเคอ่าใบกล้วยอภิสิทธ์สกล น, นครอภิสิทธ์ข้าวนวสการพระอาจารย์ครับผมเอเ้ยยไยก็ยังฝึกอยู่ทุกวันนั่นแหละครับพอาจารย์เอพ่ึก็ะไรนะ ฝึกสมาธิฝึกสติอย่างที่พระอาจารย์แนะนํานั่นแหละครับก็เจริญสติทุกวันให้สติแข็งแรงขึ้นอืปก็ตอนนี้ก็เข้ามาก็เห็นคุยกันเรื่องความฝันความฝันก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องสติของเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอีกตัวหนึ่งไหมครับพอาจารย์ก็ฝันมากก็แสดงสติน้อยครับเพราะฝันน้อยก็แสดนสติมากเพราะมันหลงไปกับความปรุงแต่งของตัวเองมาอาจารย์นั้สติมันไม่มีพอที่จะดินกลับมาอืม ถ้าไม่สติแล้ว จ, จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยฝันเท่าไหรครับก็จะไม่ฝันเพราะว่ามันไม่หลงไปเนะ า, านะพ่ออาจารย์เนาะมันนมันนก็อย่าไปหลงออกับความฝันเันก็เรื่กไม่แค่ความฝันความคิดปรุงแต่งบางทีมันจะจริงบ้างไม่จริงบ้าง ก, ก็อย่าไปถือเป็นสาระประเด็นสาคัญเดี๋ยวมันจะหลอกเราให้เราหลงได้ครับครับก็ ประมาณนี้แหละครับพระอาจารย์วันนี้ก็โอเคประมาณนี้ครับโอเคสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อา่าปูแป่อาจารย์กลับนมัสการเจ้าค่ะอ่ามีอะไรบนะ้างเอาขอหนูไม่มีค่หนูก็ลุยปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อก็ดูตัวเองค่ะพระอาจารย์ติดตามตัวเองไปเรื่อยๆว่ามีอาการหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่มีอาการแสดงอะไรเกี่ยวกับร่างกายค่ะพระอาจารย์อืม ก, ก็เลย ครัอาจารย์ปัจจุบันก็ใช้ใจแล้วก็ลุยนั่งสมาธิป้าในรถเมย์อย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์จะส่วนใหญ่ก็ลองถ้าแบบขึ้นรถเมย์คนแน่นๆ่นก็ยืนไปกับเขาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็อยู่ได้อ า, าจารย์อืมก็เลยไม่ค่อยอะไรกับร่างกายะะอ่ะค่ะอ่าก็นึกถึงภาพฝุดตายของมันเลยคืนนอนตายเจ้าค่ะอาจารย์เหมือนเตรียมพร้อมมากนะค ะ, ะอาจารย์ แบบหนูต้องพร้อมที่จะนอนตายแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนหนูผ่าสมองนูหนี้เข้าสมาธิประจำค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูไม่อยากได้ยาแก้ปวดไม่อยากขอยาเพราะว่าเปิดตามอกมนจะเจ็บร่างกายค่ะพระอาจารย์แต่พอหนูมาฟังธรรมกับพระอาจารย์ได้ของดีทางใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่อะไรกับร่างกายเลยค่ะทีเนี้ยมันเลยไม่ค่อยเจ็บปวดร่างกายค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามีเจอนะคะพระอาจารย์ ก็เลยยังไงก็ได้ค่ะจะไปก็ไปอย่างเงี้ยค่ะปล่อยไปเลยค่ะพอาจารย์ก็ได้ของดีทักใจก็ค่ะตอนแรกหนูก็กังวลเกี่ยวกับร่างกายว่าจะมาทํางานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมแต่พอเฉยๆกับร่างกายแล้วฟังคำไปทางใจแล้วมันก็เลยไม่อะไรจริงๆค่ะพระอาจารย์เืยได้เลยค่ะด โอเคนะพระบาทต้องหาดต้วค่ะโอเคอปที่คุณฉันทาต่อฉันทาและฉันตาครับนักสการครับพระอาจารย์ชื่อฉันทาครับฉันทาอยู่ที่ขเมขมรใช่ไใช่<อ><อ>ครับพระอาจารย์เป็นยังไงคมก็ปฏิบัติดูใจไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ อืมแล้วก็อืก็ทกําการบ้านนะครับก็แกเ่เจ็บตายนะครับะอาจารย์คืออืมเวลานึกถึงความตายเนี่ยคืออืแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของของเราเนี่ยครับะอาจารย์คือพยายามที่จะเอออปัญญามาดับความสุขครับอาจารย์ว่าอืถึงแม้ว่าเราจะ ไม่ป่วยแต่เราก็มีความตายไม่พลนะครับอาจารย์ทีนี้ <ละ S 1> เราแค่เป็นอินน้ํามลมไฟนะครับต่ อ, อถึงเวลาครับถูก ต, ต้องแตเวลาเมื่อกลับเกินเสือดินน้ำลมไฟไหมครับครับพระอาจารย์แล้วก็พยายามที่จะมีสตินะครับถึงแม้ว่าจะรักษาดีหรือรักษาไม่หายอะไรเนี้ยมันก็มีความตายใน่พ้มันแค่แบบว่าอัน ไม่ช้าก็เร็วถ้ามันเองสุดท้ายเราก็ต้องเข้าสู่เอจุดหมายปลายทางคือความตายเด้วยการในครบ mm hmm. าครบอาจารย์ mm hmm. แล้วก็มีสติแล้วก็โอเคคือคือวิชัยได้ดับความทุกข์ได้นะครับอ mm hmm. าจารย์ mm hmm. ก็พยายามที่จะเริญนสติแล้วก็เจริญปัญญาให้มากๆนะครับเพือเพื่อแบบว่าเอเราเฉยๆให้ได้ครับเราอเบกขาให้ได้อาจารย์ ดีนะถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับมันนะไม่ตใหเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครอบครูของคุมิเองก็ดีคนอื่นก็ดีว่าทนะร่ำรวยทนะดียังไงก็ต้องตายเหมือนกันนะครับทุกคนอยากดีมีจนแม้แต่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนครั บ, รบพระอาจารย์ครับ เพราะียรตมีสตินั่งสมาธิให้ได้มากๆครับเพื่อเพื่อแบบว่าได้ได้ได้ไ ด, ได้ได้ผลตอบรับคือเบคข่ายได้อครับพระอาจารยเปลี่ยนทุกวันนะครับพระอาจารย์อืมครับโอเค okay. พยายามเจารันสติอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสบได้ง่ายครับพระอาจารย์ มีสมาธิมีอุเบกขาก็จะไม่ทุกกับความตั้คตงคาตายค่ะพระอาจารย์ครับโอเคนะค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอณนะัฐวุฒิเชิญคุณหมาเป็นยังไงวันนี้วา่วายังไนะอ๋อครับคุณหมาฟังธรรมครับอาจารย์ครับนอืมไม่มีอะไรเลยไม่ยังไม่มีคำถามครับแต่ว่าก็พยายามปฏิบัติอครับครับ ยังไม่มีเวลาที่จะมาเติมน้ำมันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวภรรยาจะให้ไปเข้าคอร์ท่านควรกานั่งสมาธิครับแล้วเดี๋ยวหลัง1ิบวันครับครับครับแล้วาจะได้ปฏิบัติครับนะโอเคหลังจากนั้นน่าจะได้เข้าไปเข้าเติมน้ำมันครับครับจะตารางปีนี้ให้ดีขึ้นแต่ว่าออกไปก็งานมันยุ่งแต่ว่าก็พยายามอยู่ครับนะยังมีสติอีเดี๋ยวน้ามันหมดนะ ครับย <laughs> ใช่ครับใช่ครับ <Okay. S 1> ครับโอเคถ้า ม, ม, มีอะไรนะเรามากราบพระอาจารย์ครับมาทานครับครับคุณปานอมเซลเลมอาริมมากอนใช่ไหมยังอยู่ที่เซลเลมอยู่อ่ะยังอยู่เซลเลมเจ้าค่ะหลวงพอ่อกราบมัสการเจ้าค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนนี้มีบททดสอบเจ้าค่ะหลวงพอ่อไม่ไม่ค่อยู่ๆมันก็หายใจไม่ออก นอนไปสักพักหนึ่งนะจ๊ะค่ะอยู่ๆก็หายใจไม่ออกแล้วก็รู้ว่าตัวเองยังไม่ผ่านจ้าค่ะมันมีความ <Okay. S 2> คือมันเป็นนานอ่าทุรนทุรายค่ะมันเป็นมาสองสาครั้งแร ก, แรก mm hmm. ๆก็จะเป็นเป็นมาประมาณอาทิตย์นึงค่ะแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกเป็นยาวก็เลยอ่าเหมือนเราเริ่มหาอากาศหายใจอะค่ะ mm hmm. ก็เลยพอสักพักหนึ่งก็ก็อยู่อย่างนั้นจนก็เริ่ม mm hmm. อ แล้วลึกถึงความตายแล้วก็บอกตัวเองว่าโอ้่นี่เรายังไม่ผ่านจุดนี้นเจ้าค่ะหลวงพ่อก็จเจริญสติแล้วก็ท่องพุโทโธไปจนจนหายไปอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออืก็ดีมีโอกาสได้ซ้อไว้ก่อนเจ้าค่ะซ้อมจากความเจ็บปวดแล้วก็ซ้อมจากอ๋อนี่นี่คือจะต้องไปแล้วจริงๆใช่ไหม<อ>เรายังมีจุดที่จะต้องติดขัดจะต้องแก้ไขจ้าค่ะหลวงพ่อได้ไปแล้งทำไมได้ไปแล้งจ้าค่ะสดๆดร้อนร้อนจ้าค่ะแต่ก็ ก็เข้าไปในพุโทโธแล้วก็สงบไปเจ้าค่ะก็เห็นว่ามันเหมือนจะขาดแล้วมันมันมันไม่เหมือนขาดออกซิเจนเจ้าค่ะแต่ก็ไม่พอพอปท้องพุโทโธไปสักพักความกลัวนั้นก็หายไปความตกใจนั้นก็หายไปเจ้าค่ะอืมจียก็กลับมาเป็นปกติเจ้าค่ะแต่ก็ใช้เวลานานนานพอสมควรเจ้าค่ะก็เลยอ๋อความตายมันเป็นอย่างนี้มันเราเห็นแต่คนอื่นตาย หรือว่าญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเราเห็นในขณะที่ใจขาดไปก็รู้สึกเฉยเฉยแต่พอมาเจอกับตัวเองของจริงก็เลยรู้สึกว่ายังมีข้อที่จะต้องแก้ไขอีกเจ้าค่ะหลวงพ่อคือไม่เฉยใช่ไหมไม่เฉยค่ะลูกค่ะเกิดความกระเพื่อมเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเป็นบุญของเราที่ได้ที่ได้ในของมีมีใบเตือนมาแจ้งค่ะได้ทําคําสั่งสอนของหลวงพ่อผุดขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ตลอดเวลาเวลาที่มีอะไรมากระทบพระเจ้าค่ะหลวงพ่ออืได้ได้ใช้อยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะได้สอนให้ตัวเองไม่ปำบ่ายได้ได้เห็นชัดเจนว่าเออ แยกรูปแยกนามเป็นยังไงนั่งให้เจ็บเป็นยังไงนี่ได้ผลมากๆเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ออืขอบคุณในความเมตตาได้เจอครูบาอาจารย์ที่ที่สอนทั้งเหตุทั้งผลที่ได้เห็นชัดเจนเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อพยายามซ้อมบ่อยๆนะอย่าประมาทนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพร้อมตลอดเวลาพร้อมพร้อมเห็นเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าค่ะหลวง อืมเด็กครับขอบคุณเจ้าค่ะโอเคสาธอาจารย์ฮะคันคันชิดคุณคันชิดตื่นแล้วฮะเลยอ่ะคันชิดฮยังอยู่ใต้วันยังเปล่าใช่ลองกับป้าจย์ครับยังอยู่ใต้วันครับป้าจารย์ี่ยตอนนี้เด็กนะอีทุ่มนะตอนนี้อห้าทุกมกว่านะมันก็เลยสองยามใช่ไหม ครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ทําทําโอครับอาจารย์อช่ว ง, วงตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบสามครับสี่ทุ่มเรือกระลาเชมองใช่ไหมเรือกรุงเทพเชมองครับช่วงช่วงนี้มีงานก็เลยไม่ค่ยได้เข้ามาครับอาจารย์พอดีมาอยู่หอนอกเราก็เลยเข้ามากาบผ้าจารย์ครับเราจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านมังหรือเปล่า คงเหลืออีกสองปีสุดท้ายแล้วครับจะอยู่ให้มันครบสิบสองเลยครับแล้วก็กลับเลยครับไม่มาอีกแล้วครับก็ไม่แล้วครับเพราะว่ามีความตั้งใจไว้แล้วครับเปิดบอกป้อาจารย์ไปครั้งหนึ่งแล้วครับเพราะผมก็จะกลับไปเลยครับแล้วกลับมามาทํางานที่บ้านด้วยว่ามาบวชนะไปบวชครับอาจารย์ไปบวชที่บ้านนะพอแลนะครับพอแล้วครับอาจารย์ทําำไมกระท่งนั้นนั้นได้แค่งานอย่างเดียว ครับมันเป็นมันมันเป็นมันหมุนมันหมุนเวียนมันเงินมันได้ก็หมุนไปกลับมาครับแล้วก็เริ่มต้นหมุนกลับไปก็เหมือนเดิมก็ทำงานอยู่มันสิบปีก็เหมือนเดิมสิบปีพวกดูแล้วผมว่าทำได้ไหมกับอาจารย์ครับในความสงบมากขึ้นเรื่อยๆความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์ผมว่าทางทำคือทาง ทางที่ดีที่สุดเหรอครับป้าอาจารย์ดีมากครับโอเคนะครับป้าอาจารย์วันนี้ก็ตั้งใจมากาบพระอาจารย์ครับป้าอาจารย์โอเคทำให้ดีที่สุดนะทั้งทางเล่ทั้งทางทำครับป้าอาจารย์อ่าไอ้ที่ก็บซันนี่ต่อซันนี่พ่อม่ขึ้นนอนได้ยังขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์นอนแบ่ไม่รู้ว่านอนหรือเปล่าหรือว่ายัง เรายังดูยังท่างอยู่้งเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ทามันนิ่งใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ลงใหมนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะะอาจารย์อืมค่ะก็ไม่ไม่ไม่มือหวาดมาเกิน่ใช่ค่ะไม่ไม่ือหวาค่ะรอาจารย์ค่ะแต่ก็แต่ก็ขึ้นมาสูงใช่ค่ะก็สูงกว่า กว่าเมื่อปีสองปีที่เราเยอะมากมันมันแค่มาเป็นเป็นเท่าตัวถ้าจะเป็นเท่าตัวเลยมั้งเจ็ดหมื่นห้าประมาณเนี้ยค่ะเราจําได้ครั้งมันมัแค่สามหมื่นกว่าใชใช่ค่ะเมื่อสองปีที่ประมาณสองปีที่เราขายยังแค่ประมาณสามหมืนแปดอะไรอยู่เลยค่ะอาจารย์อย่างนี้ยอนิจจังเท่าเพจทุกขังเทระไปรร่นกันมันก็จะทุกประมาณน่ะแค่ไม่เล่กันมันก็ไม่ทุก วัมันขึ้นวัยมันลงไปแต่ถ้ามันต่นอไปเ <ไป S 1> รื่องมันมันก็ทุกข์กับนะั้นขึ้นก็นดีใจมันลงก็ตกใจเป็นยังไงครับธรรมะเป็นยังไงบ้างก็เมื่อที่ที่เราที่อาจารย์บอกให้พยายามเจริญเออเรื่องความตายอะค่ะพระอาจารย์อกืก็ก็ทําก็พยายาม พยายามนึกถึงความตายแต่ก็ไม่ยังนึกไม่ได้ตลอดวันเพราะว่าต้องทําทํางานที่แบบต้องต้องใช้ความคิดอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยาพยามพยายามพยายามคิดถึงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะเจริญเมอือเมองนานสติน้อยไปด้วยหรือเปล่าคะหนูรู้สึกยังยังไม่ได้แบบความเพีย ความเพียรยังไม่มากขึ้นเท่าไหร่ค่ะพัดจันทร์วิธีนี้จะทำให้เราเจริญบ่อยๆคือเวลานึกถึงใครเห็นใครก็ว่าคนเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องตายนี่ถึงแม่ ก, ก่อเดี๋ยวแม่ ก, ก็ต้องตายนึกถึงเพื่อนแล้วเพนก็ต้องตายอ๋อหนูนึกถึงแต่ว่าตัวเองต้องตายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตายทุกคนเลยดูในจอทีวีเห็นหนายกคนเดียวนายกคนนี้ก็ต้องตายเหน็นนายใครสามารถแปะป้ายว่ า, ยาตายได้หมดทุกทุกรายการ อ๋อค่ะพระอาจารย์หนูนึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวเลยอนึกแต่้านดีกว่าแ ป, <c oughs> ป้าีเอาแปะความตายไปแปะคนนั่นแปะคนนี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่านึกถึงความตายของตัวเองหนูรู้สึกไม่ไม่ค่อยกลัวเฉยรู้สึกเฉยเฉยอะคะ่ะตอนที่คิดแต่ว่าหนูก็เลยนึกไปว่าเออแต่ว่าถ้าตายอะ่ะก็ต้องกลับมาเกิดนะอันเนี้ยก็ก็แอบแบบสะดุ้งก็แบบฮึดขึ้นมานิดนึงมาปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แต่ว่า ไม่ไม่ยังไม่ได้นึกถึงความตายของคนอื่นแต่ว่าถ้าแบบความตายของของคุณแม่อะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกวูบวูบโงงยังวูบวูบโงบงอยู่ค่ะพระอาจารย์ต้องตายกันทุกคนเราจะได้ไม่ต้องกังวลกับใครค่ะพระอาจารย์หนูจะนําไปปฏิบัติใหม่คะ่ะอืมีอะไรไหมอ่าไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบคุ ณ, ค, ณ, ค, ณคุณปุ้ยคุณคุณปุ้ย ไม่ใชคุณป้ค<ก>่ะทค่ะพรอาจารย์ไม่าาาไค่ะคุณพระอาจารย์คุย AI หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะด้วยจริงจังจงอ่ะโอเคจะมารายงานพระอาจารย์ว่า โยมประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็สวดมนต์เจริญจิตภาวนาดีแล้วโยมไปฟังเอ่อเขาเรียกอะไรนะทศชาติอะคะ่ะใช่ไหมฮะที่ที่เขามีเอ่อบทอที่เป็นช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็น ม, ม, มีภาคเป็นภาคเต็มมบ้านเนียค่ะแล้วใช่ค่ะโยมโยมฟังที่เขาเล่าอะแล้วเรารู้สึก เหมือนอินไปตามเขาเลยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วแบบอยู่อยู่อยู่น้ําตามันก็ไหลลงมาแปลกมากเลยโยมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยโยมก็แบบเออรู้สึกมันซึ้งมากเลยแล้วพอโยมออยนั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าเออใจมันนิ่งอย่างเนี้ค่ะฮะโยมก็ฟังพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะ อมีเวลาตอนเช้าที่มันเป็นตอนบ่ายของของของเมืองไทยใช่ไนฮะที่พระอาจารย์เอาเอาเอาเทปออกมาโยมก็จะนั่งสมาธิไปด้วยแล้วโยมจะตื่นในเช้าก็ามานั่งสมาธิกับหลวงตามหาบัวเพราะว่าโยมชอบคลิปที่หลวงตาเขาสอนเอ่อเกี่ยวกับการ น, นั่งสมาธิอยู่คลิปหนึ่งโยมเซฟเอาไว้เพราะว่าโยมจําได้ที่พระอาจารย์บอกกับอผู้ชายคนหนึ่งว่าพระอาจารย์เน่ยจะไม่มี คำถามกับหลวงตาเลยเพราะว่าท่านสอนได้ละเอียดยงก็เลยไปตามฟังแล้วโยมว่าเอ้ยท่านสอนละเอียดมากเลยแต่ทีนี้มันเวลาโยอมฟังไปนั่งสมาธิไปโยมรู้สึกในเสียงมันมีอะไรก็ไม่รู้ค่ะพอานาึ่งึ่งึ่ ง, งมันเหมือนกับจูนประสาทเราอะ่ะให้เรานิ่งแล้วแบบเราสามารถเงยียบได้แล้วอยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆนะคะ แต่มันก็ทําให้ใจเราสบายใจเราสงบแล้วนิ่งมันไม่มีปัญหาอะไรกัใครอ่ะคะ่ะพระอาจารย์นี่ยังปฏิบัติไปเรื่อยนะย ม, มีอะไรม<ป>มีมมอะไรปฏิบัติไปเรื่อ ย, อยคะ่ะโยมมารับพนังกับพระอาจารย์โยมก็มารายงานตัวแล้วจะมีเพียงเรื่องเดียวโยมก็เจ็บเจ็บป่วยป่วยของโยมไปอย่างเนี้แหละคะ่ะได้โยมเป็นธรรมดา<ป>พิจารณาเป็นธรรมดาไป พอเราตายมาแล้วต้องแเจ็บตายกันด้วยกันทุกคนสิงค่ะโยมใช้สมาธิสู้แล้วคือโยมก็คิดว่าสู้ไม่ถอยแล้วโยมก็คิดว่าโยมเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์สอนว่าคนทําไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าเราต้องไปนิพพานโยมเข้าใจนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ไ<ม>ปนิพพานก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆโยมไม่อยากมาแล้วเพราะว่าลูกมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ เรื่องที่กิเลสและตัณหาทั้งนั้นเลยยมถึงหัวแล้วบอกตรงๆพระอาจารย์คือเดินออกไปเนี่ยมันก็มีและไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นู่นอันนีนน้ถ้าจะให้ยมนั่งกวนหัวมันก็ไม่เหมาะเพราะว่ายมยังไม่ได้เป็นอภิมหาเศรษฐียมก็เลยต้องใช้วิธีแบบว่าสร้างบุญสร้างบา ร, รมีและปฏิบัตธิธรรมอย่างนี้ไปอะค่ะทาไปเรื่อย <c oughs> ๆอ่เดี๋ยวถึงเวลามันก็จะรู้เองจริงค่ะ เพราะว่าตั้งแต่โยมเข้ามาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นทุกทางเลยโยมดีขึ้นทุกทางเลยเศรษฐกิจอะไรก็ดีขึ้นค่ะโยมก็เลยว่าเนี่ยแหละดินทางรอดของโยมโยมก็ไม่ไม่เดินไปทางไหนแล้วโยมอยู่กานเนี้ยแหละะอยู่ทางนี้เลยค่ะพระอาจารย์โอเคเอาเท่านี้ก่อนนะเวลาใกลจะหมดนะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็แแรงเจ้าค่ะขอให้ปุยเจริญด้วยอายุวนันโนสุขขังปรามนะ จ้าค่ะขอขอยมตั้งกีฬาที่ฐานกับพระอาจารย์ยยมจะเดินทางทาตลอดไปเจ้าค่ะสาุะสาธุคุณครูชื่อจะไม่ได้ขออภัยด้วยเจอกันบ่อยๆทุกวันอย่างรี้มาคุ ณ, ณครูนิง่งค่ะคุณครูสอนอะไร คุณนิง้งคุณนิ่งสอนอะไร อ, อ๋อคุณนิ่งสอนภาษาอังกฤษสัภผษาไทยครับ อ, อาจารย์ให้กับคนไทยแให้กับคนต่างชาติค่ะทั้งสองอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็เหมือนสอนเป็นพิเศษนะคะคนเดียวแต่ว่าตัวเองก็ทำเกี่ยวกับภาษาังกาษด้วยครับอาจารย์อืมอ่าวันที่ทเดือนหน้านี่ก็คิดว่าจะขึ้นเขาอะครับอาจารย์ ปันทีศแต่เป็นสองเคยขึ้นจเคยขึ้นไปด้ยังเคยค่ะเคยไปขึ้นครั้งหนึ่งแล้วเป็นคนเดียวค่ะกอดีไปชาร์จแบตเตอี่เถอหน่อยอจะอยู่คนเดียวบ้างครัอาจารย์ดีไปพ่อนผ่อนคลยค่ะไปผ่อนคลไปปิดตึ้งคนเดียวตึ้งนะครับอาจารย์อืม ก็เลยคิดถึงเพราะว่าเคยไปคนคนเดียวก็เลยโมตานะค่ะเวลาไปก่อนก็เลยตัดสินใจครับถ้าไม่ไม่ตัดสินใจก็คือคงไม่ได้ไปอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปค่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรคับพระอาจารย์ก็หนูก็ไปวันค่ะปกติปกติกับสองลิงค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เรียบร้อยกันเยอะนะหนึ่งค่ะเรียบร้อยดู เรียบร้อยขึ้นเยอะค่ะอาจารย์ความขึ้นเยอะมากค่ะอาจารย์ดค่ะ อ, คอันนีอนนะอรค่ะคำถามต่อไปไปที่คุณคุณนาเชิญคุณนาะกรับในมสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟ e b o o k และยู u b e เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณวิพาดาไปปฏิบัติธรรมมา แล้วพอกลับบ้านยืนล้างจานอยู่แล้วจิตมันรวมเองไม่มีเจตนาแล้วมันก็ไปเห็นจิตกับกายมันแยกกันทำงานมันคือกายกับใจแยกออกจากกันมันต่างทำงานของใครของมันต้องทำอย่างไรต่อคะก็เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ากายกับใจม็นคนละคนกันเหมือนกับที่ตอนที่เราเห็นตอนที่จิตน้อม แล้วก็พยายามนั่งกลับไปนั่สมาธิบ่อยๆให้มันให้มันรวบ่อยๆต่อไปทํามาทําให้มากขึ้นให้มันชินให้มันชํานาญจนให้มันกลายเป็นอัตโนมัติไปให้มันเห็นแบบอัตโนมัติเห็นใจกับกายนี้ตลอดเวลาว่าไปคนละคนกันคําถามต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าผมทําบุญมากๆ กรรมไม่ดีที่ผมทําก็จะตามไม่ทันผมก็ไม่ต้องชดใช้กรรมนั้นใช่ไหมครับทําตามใดบุญเราทํามากกว่าบาปบาปก็ยังตามมาไม่ทันอยู่แต่ถ้าเวลานายที่บาปมากกว่าบุญเวลานั้นบาปก็จะมาทันเราเราน่าพยายามทําบุญให้มากๆทําให้ถึงขั้นที่พ่านเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราเราไม่กลับมาเกิดแล้วกรรมทั้งหลายที่เราเคยทำไว้มันก็ตามเราไม่ได้นะเพรเราไม่มาเกิดนะ คำถามต่อไปกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูเคยเป็นโรคร้ายปัจจุบันรักษาหายแล้วแต่แม่กับน้องมาบอกให้หนูทําพินัยกรรมหนูเสียความรู้สึกมากที่แม่และน้องพูดแบบนี้กับหนูหนูคิดมากนอนไม่หลับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะก็คิดว่าเป็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมอางานเดี๋ยวเราก็ต้องตาย แล้วทรัพย์สินสมบัติมัมนจะได้ไม่ไม่มีปัญหาตามมาถ้าหนูไม่เขียนพินัยกรรมไว้มันก็อาจจะต้องไปฟ้องร้องกันไปมีคดีความกันอันนี้หนูมีโอกาสที่จะเขียนพินัยกรรมได้ก็เขียนไปไม่ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายตรงไห น, นอยากจะยกสมบัติให้ใครก็เขียนไว้ในพินัยกรรมไปท่านเองคำถามสุดท้ายจากคุณธนพงศ์กับนมัศการครับ ก่อนนั่งสมาธิจำเป็นต้องสมาทานศีลหรือสวดมนต์ก่อนไหมครับอันนี้แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะทำพิธีกรรมก็ทำไปถ้าไม่ต้องทำพิธีกรรมก็ก่อนจะนั่งสมาธิสิ่งที่เราต้องมีมาก่อนก็คือส ต, สติสติสำคัญกว่า ก, การสมาทานศีลการสวดมนต์อะไรต่างๆงั้นก่อนจะมานั่งสมาธิพยายามตำลนสติให้มากๆไว้ก่อนจะดีที่สุด <ทำ S 2> เหมืจนก